บทที่สามสิบหกซีอีกส่วนหนึ่งของกรุงเทพใครคนหนึ่งกําลังห่วงหาปริวิตตกถึงบุคคลอันเป็นที่แสนรักจนกระทั่งนอนไม่หลับอีกซีกส่วนหนึ่งของกลางพลากันดานลึกใครอีกคนหนึ่งอันเป็นความทุกข์ของผู้อยู่เบื้องหลังกําลังอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่มีใครจะคาดคิดไปถึงได้แม้กระทั่งบรรดาลูกน้องพรานพรายมือดีทั้งหลายซึ่งกำลังหลับนอนได้อยู่เวรยามกันในขณะนี้เขาได้ออกตามร่างหมายของไอ้ผีดิบหมื่นปีหรืออาจกว่านั้นไปแล้ว ตามไปทุกระยะชนิดใครดีใครอยู่มันไตรผู้พยาบาทการเวลาทั้งสองซีกส่วนของโลกนี้เป็นการเวลาอันเดียวกันสองนาฬิกาเศษเล็กน้อย่วนอันเป็นเบ น, นที่สองถัดจากเสย์ก็เข้ามาปลูกจันเพื่อให้รับยามต่อเพื่อตัวเองจะนอนสมุนใจของเระพินขยับตัวรุกขึ้นในทันทีสลัดตัวจากผ้าผวยเก่าๆซึ่งคลุมทับไว้ด้วยกระสอบปานอีกชั้นหนึ่งคว้าไรเฟิลประจำมืออันมีผิวเหล็กเย็นเฉียบราวกับแช่อ ย, อยู่ในตู้น้ําแข็งขึ้นมา พวกนี้ถูกฝึกมาเสีจนเคยชินเป็นนิสัยแล้วก่อนอื่นขยับลูกเลื่อนดึงถอยหลังเล็กน้อยเพื่อให้แน่ใจที่สุดว่ากระสุนมันประจำพร้อมอยู่ในลังเพลิงแล้วปิดการลูกเลื่อนลงพร้อมกับลถนกเรียบร้อยปกติดีหรือไอ้เกิดจันถามเบาเบาขณะที่ใสยซุกตัวเข้ากระสอบจัดแจงจะเอาผ้าเอาขาม้าที่พวกหัวอยู่ลงปิดหน้าเรียบร้อยนะจันเงียบเชียบดีแล้วกินถ้ารองคืนนี้ไม่มีอะไรหรอกลงนายได้ออกไปนอนดักขวางเส้นทางไว้แบบนั้นแล้วก็ เกิดเตอบพร้อมกับอ้าปากหาวและหลับตาลงอย่างง่ายๆจันลุกขึ้นมองไปรอบๆบริเวณแคมป์ซึ่งอยู่ในภาวะสงบไฟรุ่งทุ ก, กองก็ยังลุกสว่างสวยดีเป็นปกติพวกลูกหาที่จัดยามเป็นผักผัดกันไว้ก็นั่งเป็นเงาตะคุ่มอยู่ตามมุมต่างๆสองสามจุดแต่นั่งงอกรงอขิงหลับนกอพ า, าคุมหัวไว้แลไปทางกระโจมพักของกลุ่มนายจ้างก็ปกติทุกอย่างทั้งกลุ่มคงจะหลับสนิทได้ยินแต่เสียงไฟที่แตกประทุอยู่ในกองนานๆครั้งเท่านั้นแนบไม้ราวภพยทึบ รอบด้านไม่มีสัญญาณของการไหวติ่งเลยแม้แต่ใบไม้ก็ไม่กระดิกหมอกลงขาวมัวเป็นอองไปทั่วจันเดินไปค้ำหัวเกิดที่เพิ่งจะล้มตัวลงนอนแล้วเอาเท้าสะกิดเดี๋ยวก่อนไอ้เกิดจะเพิ่งนอนว่าทำไมอีกระนะจันตอนเวนของเอ็นนะเอ็งเห็นนายบ้างไหมแกยังนอนอยู่ที่เดิมตรงโขดหินกลางทางข้างกลางทา ง, ทางข้างล่างโ น, น้นรือว่าลุกเข้ามาในปางเราบ้างหรือเปล่า พร้อมกับผูกจันช้ไฟฉายประจําตัวส่องตรงไปยังตําแหน่งที่เคยเห็นพลานใหญ่ไปยึดที่นอนอยู่ตรงหินก้อนใหญ่ลาําไฟฉายฟาหมอกขาวหมุนมัวออกไปมองเห็นอะไรไม่ถนัดแต่ก็พอจะกาหนดที่หมายได้ว่าระพินไัยวันควรจะอยู่ตรงไหนโดยสังเกตไปยังก้อนหินใหญ่ใต้ต้นไม้ไม่เห็นหนายลุกขึ้นมาหรือเ ข, ข้ามาในที่นี้เลยตั้งแต่จะออกไปนอนหนักอยู่ตรงนั้นก็คงไม่ไปไหนหรอกอยู่ตรงนั้นแหละเกิตอบอยังอู้อี้อย่างลาคาญแล้วขดตัวเอามือทั้งสองซุกหาความอบอุ่นในซ้อขาตัวเอง จันคอนไรเฟิลไว้ในแขนมวนบุหรี่ไปตองแห้งช้าๆหูเงียะเสียงแต่โซดพรานก็ไม่อาจจับสัญญาณใดๆได้ทั้งสิ้นมันเงียบเชียบเอาจริงๆพอจุดสูบได้2อสามอึดก็เริ่มฉายไฟอีกดับๆเปิดเปิดเป็นสัญญาณเรียกโดยหวังไว้ว่าถ้าเจ้านายตื่นอยู่รู้รู้สึกตัวมองเห็นลําแสงไฟก็คงจะฉายไฟตอบรับเป็นสัญญาณมาไม่มีวี่แววอะไรทั้งสิ้นป่านอกบริเวณต่างพาครอบด้านทูกรุมไม่ได้ความมืดทะมึนและม่านหมอก เจกูตรกรอนเรียกให้เสียงออกไปจันก็เกรงว่าจะเป็นที่เออเกลแกบรรดาพวกลูกค่ะและกลุ่มนายจ้างที่กำลังนอนหลับสนิทกันอยู่จึงเด็ดบายไม้จากซุ้มที่ขึ้นอยู่ใกล้ๆขึ้นมาพับเป็นสองทบเป่าเบาๆเป็นสัญญาณเหมือนเสียงสัตว์บางชนิดร้องจึงเข้าใจซึ่งเข้าใจและรู้กันในบรรดาพรานไพรทั้งหลายไม่มีเสียงตอบด้วยสัญญาณอย่างใดทั้งสิ้นเอ๊ยยังไงไนายเราจะหลับเป็นตายไปยงั้นเชียวหรอจันคลางออกมาแล้วก็เริ่มเดินออกจากจุดที่ยืนอยู่จะายหน้าไปยังตาแหน่งโคดินนั่นทันที เฮ้ยไอจันยุดจะเสือออกไปนอกเขตเป็นอันขาดยงทักต่ำๆดังมาจากด้านหลังจันชนะฉันขวับมาลานลูกพี่ผู้โอเวโซที่สุดคือจะเท่ า, ทาบุญคําขณะนี้พุดุขึ้นมาโดยเร็วความจริงแกรกรุนคลอกอยู่หลัดหลันี่เองแต่บทจะตื่นขึ้นมาก็ตื่นเหมือนผีปลุกก่อนที่ลูกน้องจะ ก, ก้าวพ้นออกนอกบริเวณกองไฟกองสุดท้ายระหว่างที่จันยังยืนนิ่งอยู่แกก็คว้าไรเฟิลประจํามือก้าวสูวเข้ามาถึงตัวทันทีจะหาเรื่องเดือดร้อนมาให้ข่าเสียแล้วไหมล่ะสะพานท่าบนต่ำๆจ้องหน้า ที่เองจะออกไปไหนจันมีสีหน้ากังวลไม่สบายใจนะชี้มือไปยังทิศทางด่านข้างล่างฉันจะลองไปดูตรงที่นายนอนอยู่นั่นนะ่ะที่คานายหายไปอยู่ตรงนั้นตั้งแต่หัวคําแล้วไม่เห็นวี่แววอะไรเลยถามไอ้เกิดที่เป็นยามสุดท้ายก่อนจะปลุกฉันขึ้นมาก็ไม่รู้เรื่องบอกว่าไม่เห็นไม่ได้ยินเสียงอะไรจากนายอีกเลยเฉยๆเฮ้ยอย่าทะลึ่งไม่เข้าเรื่องอยู่ในนี้แหละไม่ต้องออกไปบุญคําว่าแล้วก็ลากแขนจันให้เข้ามานั่งที่ขอนไม้ริมกองไฟตัวเองนั่งลงด้วย คำสั่งต้องเป็นคำสั่งนายเดพินไม่ให้พวกเราคนไหนกล้าพ้นบริเวณกองไฟนี่ออกไปเป็นอันค่ะเองเป็นใครเองแค่ไหนค้าเองยังไม่กล้าออกไปเลยอยู่ในนี้แหละข้าก็นอนไม่หลับเหมือนกันจะนั่งเป็นเพื่อนเองด้วยไหนมวนยาให้ตัวสิจันมวนยาส่งให้ลูกพี่ตะเท่ารับเอามากิ่งม า, ากิ่งไม้ติดไฟเล็กๆในกองขึ้นจุดแล้วโยนกิ่งไม้เข้าไปในกองตามเดิมเหลือไปรอบๆพื้พมพังออกมากิโมงก่ยามแล้วก็ไม่รู้ว่าจะดูดาวก็มองไม่เห็นฟ้ามันมืดไปหมดหมอกลงจัดเสียด้วยพี่คําตื่นนานแล้วเหรอคุณคํำหัวเราะเสียงแปรๆ ถ้าหลับเป็นตายมาตั้งแต่แตหัวค่าแล้วหลับจนกระทั่งถูกเตะพลักเข้าให้ที่ศีรษะทันแรกนึกว่าพวกเองตัวใดตัวหนึ่งทะลึง่งเตะค่าจะลุกดึงตาดูว่าจะลุกขึ้นมากระชือก็ไม่เห็นใครอยู่ใกล้ค่าสักคนพอดีเห็นเองกําลังจะเดินออกนอกฟังพลักก็เลยต้องเพนขึ้นมาแล้วแกก็แบมือให้ลูกน้องดูในนั้นเป็นรูปควายทองแดงตัวเล็กๆขนาดยาวไม่เกินสองนิ้วรอในลักษณะกําลังเบิงทงอาดอยู่และบอกต่อไปว่านี่ไอตัวนี้มันขิดสีข้างค่าให้เองนึกว่าใครเตะเสอีก ทีแรกค่าเอาไว้ทําด้านหัวนอนตอนตื่นขึ้นมามันมาอยู่ตรงชายโคงข้าพอดีมันปลูกข้าวว่ะถ้ามันจะไม่ชอบคนเสียแล้วจันอาปากข้าอุทานออกมาวายธนูปลุกพี่คําขึ้นหอกหรือเออขิดปังเลยยังกระถูกคนเตะงั้นแหละไม่งั้นข้าก็ยังไม่ตื่นหรอกเพราะยังไม่ถึงยามของข้ามันคงปลูกข้าวว่าเห็นเองกําลังจะเดินออกไปนอกปังกระมังเอ๋ฉันว่ามันน่าจะมีอะไรไม่เข้าท่าเสียแล้วนะพี่คําก่อนที่พี่คําจะตื่นขึ้นมาฉันฉายไฟไหลายครั้งไปที่หินก้อนที่นายไปนอนอยู่นู่นไม่เห็นแกจะฉายยอล้้เเสีงะไไรใหดิหนย เปลใบไม้เรียก็ไม่มีเสียงตอบพี่ขำว่านายยังนอนอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าตอนนี้ตะพรานเข่าหมองผีประจาําคณะชนื้อคอมองไปทางด้านนั้นอย่างปราศจากความหมายเพราะแกก็มองไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นนอกจากสีดำข้นข้าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ข้าว่าไม่ต้องเรียกไม่ต้องตามออกไปดูทั้งนั้นพวกเราทุกคนอยู่ในนี้แหละนายมีวิชาเหนือกับพวกเราถึงยังไงแกก็เอาตัวรอดได้เสมอพวกเราสิถ้าพลาดเมื่อหลายตายหาเมื่อนั้น ตอนนี้แกอาจจะยังนอนอยู่ที่เก่าหรือเดินตัวไปถึงไหนไหนก็ปล่อยแกไปเถอะคอยฟังเสียงปืนก็นแล้วกันถ้าตูเมื่อไหร่ก็ว่ากันอีกทีเองห่วงนายค่ะทุกคนพวกเราก็ห่วงแต่คนที่ถูกเวงห่วงเก่งกว่าเราทุกคนแลยต้องห่วงตัวเองก่อนดีกว่าเชื่อเหระนายะพินซะอย่างป่าดิบดงดำทำอะไรแกไม่ได้หรอกวะแต่ถ้าเป็นปา่าหญ้าแพ ร, แรกตามเนินสามเหลี่ยมแล้วก็ต้องช่วยกันระวังหน่อยเพราะแกไม่ชำนาญเธอตกลุมเอาง่ายๆ่นี่ค่ะก็ใจไม่ดีเลยพ้าผาอีกตอนขึ้นปีเยี่ยไม่เอิงบนหน้าผาเมื่อหัวค่ำนี่ สงสัยนายเราจะเสียท่ามแมมผมแดงเข้างหายซะแล้วถ้าดูแกเขาอ่อนอ่อนยังไงพี่โกลตอนที่เดินกลับมาหาเราบุญคําอดไม่ได้ที่จะเลี้ยววกข้อหาเรื่องขนองปากตามความที่แกต้องการจะพูดอะไรให้เป็นเรื่องสนุกโลดเล่นแก้สถานการณ์อันวันวั น, วนใจอยู่ขณะนี้จะมากกว่าเพราะขณะที่นั่งอยู่กับจันทสองคนผลตามแขนก็ลุกชันอยู่เป็นระลอกไม่ขาดระยะนี่พี่คําจะไม่ออกไปดูนายเรอเราไปกันสองคนก็ได้ระยะทางแค่นี้เองจันไม่ละความพยายาม ใจข้าก็อยากออกไปเหมือนกันแต่ถ้าบอกด้วยความกังวลลึกแต่หลายครั้งมาแล้วที่นายสั่งอะไรแล้วค่าที่พวกเอ็งฝ่าฝืนไม่ทําตามเป็นเกิดเรื่องบันไลทุกทีข้าเข็ดเสียละถ้าไม่รู้ว่าเรออกนอกเขตปางภาคนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นแต่ข้ากลัวถูกนายเตตเพราะขัดขืนคําสั่งเอางี้ไอ้จานเองออกเดินตรวจรอบบริเวณไปทางขวามือนี่นะจะ ต, ต้องอยู่ในบริเวณปริมณทนของเราข้าก็จะออกตรวจ ด, ดูแลไปทางด้านซ้ายแล้วค่อยมาบรรจบกันอีกทีหนึ่งตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปเอ็งกับข้าสองคนไม่ต้องออกนอก ไม่ต้องนอนกันแล้วว่าเฝ้ากันยันเช้าเลยถ้าสาส่ายังไงบอกไม่ถูกตกลงกันดังนั้นแล้วจานทร์กับบุญธรรมอันจัดเป็นพรานอวโสที่สุดของคณะรองจากพลานใหญ่ก็ลุกขึ้นละแยกจากการออกเดินช้าๆสำรวจตรวจตราไปรอบๆ บ, บริเวณแคมป์ที่พักไฟกองไหนมีทีท่าจะมอดก็เตือนให้พวกลูกหาบที่อยู่ยามซุนฟืนเติมเพิ่มเข้าไปพรางก็ใช้ไฉ า, า, ายส่องตัวจทั้งบริเวณภายในตลอดจนป่ารอบนอกไปด้วยแต่ก็ไม่ช่วยให้เกิดประโยชน์อะไรทั้งสิ้นในการส่องไฟ นอกคนบริเวณที่พักพระความทึบของพงศลกประกอบกับม่านหมอกที่กระจุยพักของกลุ่มนายจ้างภายใต้หลังคาคุมและภาพักศิษย์ที่ทิ้งชายบางมิดชิดลงทุกด้านก็อยู่ในสภาพเงียบสงบทั้งห้าคนในกระจุยคงหลับสนิทเพราะการตรากตรำหนักระหวังเดินทางกลางวันที่ผ่านมาเสียงในคิดต้นโคขค่าส น, านันวันใบออกมาให้ได้ยินขณะที่จันและบุญคําเดินมาบรรจบกันบรรจบกันยังตําแหน่งนั้นเมื่อเห็นว่าทุกอย่างภายในที่พักยังราบคาปกติสุขสองผานก็กลับมานั่งสุบรีพื้นเมืองคุยกันที่กองไฟ ด้านที่เป็นทางด่านนําลงไปสู่ลําทารเบื้องล่างอีกครั้งบุญคำอุสาหวิทยุทารซิสเตอร์ที่ติดตัวมาด้วยเครื่องเล็กของแกเอามาหมุนหาลื่นเพื่อจะรับฟังเพลงหรือราชการภูทรซึ่งตามปกติก็มักจะรับฟังได้อยู่เสมอแต่มาคืนนี้มันมีแต่เสียงคลื่นอากาศโครงคลางไม่มีเสียงอื่นใดแว่ออกมาเลยแล้วก็ปิดสมบดดา ย, ยกขึ้นทำท่าจะคว่างทิ้งแต่พอนึกขึ้นมาได้ว่าวิทยุเครื่องนี้ก็ได้รับคำนันมาจากนายหญิงที่แกเคารพรักเหมือนมารดาบังเกิดกล้าก็เลยเก็บเข้ายามตามเดิม ชิพหายนี่จะฟังเพลงสั ก, กหน่อยก็ไม่มีให้ฟังเพลงแจ็คและเพลงพม่า ก, ก็ยังดีวะมีแต่เสียงยังกับคนท้องร่วงพี่โท่พี่คำก็หนาวยวิทยุเรื่องใหญ่ของในห้างพวกนั้นยังใช้การไม่ได้เลยนักภาษาอะไรกับวิทยุฟังยิกเกของพี่คำเออจริงว่ะข้าลืมไปเขาแถมนี้มันมีอะไรของมันกันวะวิทยุวิทยาตเสียโม้ใช้การไม่ได้เลยเสียงคุยโตต่อของทั้งสองเป็นว่าออกไปเป็นลําดับต่างนั่งพิงไฟ กันอยู่หันหน้าออกป่าไร่เฟิ่นพาดไว้กับตักและแล้วในที่สุดก็สับประหนกหลับนกเมื่อการเวลาผ่านไปอีกด้านหลังกระโจมพักของไฟนายจ้างเป็นบริเวณที่โล่งมากที่สุดเพราะหากอาไปเพียงไม่เกินสามสิบเมตรก็เป็นหน้าผาที่จะไต่ขึ้นท้าบริเวณที่พวกกะเรียงตะเคียนทองอพยพกันขึ้นไปอาศัยอยู่บริเวณนี้เป็นจุดที่รพิน์ภัยวันมองไม่เห็นความสําคัญใดๆทั้งสิ้นนอกจากจะกําหนดไว้เป็นเส้นทางให้ทุกคนพระนี้จากแคมป์เพื่อถอยขึ้นหน้าผาหากเกิดเหตุฉุกเฉินจวนตัวขึ้นมีพุ่มไม้เตี้ยเตี้ยขึ้ มีการก่อไฟให้ความอบอุ่นไว้เพียงกองเดียวและปราศจากยามเฝ้าเพราะถือว่าเป็นจุดอับของการจู่โจมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ใหญ่ขนาดช้างสิ่งอันนี้ลับที่สุดน่าสุดสยองพองขนมากที่สุดได้คาน์กระเดืบคืบตัวของมันอ้อมแนวปลาครึ่งวงกลมด้านหน้าวกอ้อมมาทางด้านหลังนี่เองและเริ่มเคลื่อนเข้ามาสู่เป้าหมายนับตั้งแต่ระพินไพรวันพระออกจากแท่นหินตำแหน่งพักนอนกดไลไอมนุษย์ตนนั้นเพราะหลงโกลก็ไอซากที่ขาดครึ่งท่อนเหลือเฉพาะส่วนเอวขึ้นมา จากอำนาจกับระเบิดของเชิดวุฒิตนนั้นนั่นเองมันใช้มือทั้งสองแทนขาลากตัวเองผ่านพุ่มไม้ด้านหลังกระโจมพักเข้ามายังเบากริบอาจมีเสียงหินลูกหลังหรือกรวดล่นแสกสาบบ้างเพราะ ร, ร่างกายครึ่งทอ่อดลากลาก้ล า, ล า, ลามากับพื้นแต่ก็ไม่ละแค่ละคายไปถึงหูของทุกคนในกระโจมพักที่กำลังจมสนิทยอยู่ในนิทราลมบุญคำและจัน์นั่งสงบอยู่อีกทางหนึ่งห่างลิบลูกหาบที่อยู่ยามก็แยกกันอยู่คนละทิศในจุดล้อมครึ่งวงกลมเปิดส่วนหลังไว้มันโผล่จากพุ่มไม้ที่ใกล้ที่สุดเลี่ยงหลบกองไฟแล้วก ด้านผาพลาสติกที่ขึงกั้นกระโจมส่วนปลายทขาของทุกคนที่นอนอยู่ไกล้เข้ามาเป็นลำดับอย่างเชื่อมช้าแต่ก็แน่วแน่ในประสงค์ร้ายคริสตินานอนอยู่ทางด้านหนึ่งถันจะคิดอาจเป็นเพราะพรกพวกใดคนใดคนหนึ่งในโปง่งแบล็กเกตเดียวกันพลิกตัวจึงดึงเอาพ่อห่มชนิดหนาะให้หลุดพ้นจากตัวหลอนไปทําให้หนาวเชียบขึ้นมาทันทีรันตื่นขึ้นเพราะพระห่มถูกดึงพลิกตัวกลับอย่างหุดงีช่วยพระห่มและก็เจเจนาจจกระชากดึงมาคุมตัวให้ได้บัดนั่นเองผ้าพลาสติกที่ปิดกระโจมอยู่ทางด้าน ปลายเท้าก็ถูกแบกออกช้าๆมันก็พอดีกับที่หล่อนลืมตาขึ้นเพราะต้องการแย่งเขาผมแสงตะเกียงแบตเตอรี่ที่จุดไว้ทางที่ว่างปลายท้าทําให้หล่อนมองเห็นภาพใบหน้าที่โผล่เข้ามาอย่างถนัดชัดเจนที่สุดหนังหุ้มกระดูกหน้าสีคล้ําแห้งเกราะโน่แก้มโผนตาลูกสว่างโผล่รอกับมีหลอดไฟเข้าไปจุดไว้ฟันเขยิบซีกใหญ่เยเกยออกขากรรไกรกว้างให ญ, ให ญ, ใหญ่ซึ่งบัดนี้อ้าขึ้นและลงช้าๆเป็นจังหวะทุกครั้งที่มันหู ป, ปากลงฟันล่างจะเบะ บนฟันล่างและบนอันแสนสิเสียนั้นกระทบกันอยู่ดังกับกับเป็นจังหวะและดวงตาทั้งสองข้างก็จ้องเขมิงมาที่หล่อนขณะที่พิงโงกจีสษะขึ้นดูแมนักเคมีฟิสิกสาวผมทองอยู่ในภาวะช็อกหล่อนจ้องนิ่งลืมหายใจไปชั่วขณะหลอนจำไม่ผิดแน่ๆก็ไอ้ซากมาหานารกตตนนี้แหละที่ถูกระเบิดของเชิดวุฒขาดเครื่องทอนไปครึ่งตัวเมื่อตอนกลางวันนี้ปัดนี้มันกาลังเลือ้อยส่วนหัวโหน้าอันแสนเจ้าิสเอียนสุจพันนาได้เข้ามาทางปลายท้าของหล่อนอาปาขยับฟันอยู่งั บ, งบ รู้สึกตัวก็ต่อเมื่อข้อท้าของหลอนถูกมือทั้งสองกระดุดอุ้งเท้าเสือของมันจับขยุ่มไว้พร้อมทั้งอ้าปากกว้างมีอาการเหมือนจะกัดและขบเขี้ยวไปบนปลายเท้าที่สวมบูเดินป่าอยู่ประหนึ่งจะฉีก่กินเป็นทักษะหารอันโอชะปริสติน่าร้องกรีดออกมาสุดเสียงไม่เป็นภาษานี่คือสิ่งสยองขวัญที่สุดในชีวิตที่หลอนไม่เคยพบพานมาก่อนพร้อมกับดิ้นสุดแรงริดสบัดทิบท้าทั้งสองข้างออกไปฝ่าเท้าสวมบูตของแม่ผมทองยานประทะหน้านหน้าเกลียดยันจังมันเป็นจังหวะเดียวกับที่มันก้มหัวลงงับพอดดดีแต่กก็็ถูบาาาทพื้นนนยงเชิ พงษ์หง า, ายออกไปคริสเพนทวดขึ้นยืนในขณะที่ผู้นอนร่วมเต็นท์ทั้งหมดก็เพนทวดขึ้นพร้อมกันหมดอย่างฉุกและหกยังไม่มีใครจะทันอ้าปากคาถามใดได้เสียงระเบิดเปรี้ยงแรกก็ดังขึ้นในเวลาติดตกันคริสว่องไวตามนิสัยร่อนกระชากปืนสั้นจากซองพกซอกอกตัดเํ้าไปแล้วกลางใบหน้าที่พงกหัวเบนกลับมาอีกครั้งภายหลังถูกถีดกระสุนเจาะเข้ากลางหน้าผาและทะลุออกไปทางด้านหลังกระทบพื้นถัดออกไป ฉลากฟิลพุ่งผ่านไปทางด้านบุญธรรมและจันที่นั่งส ป, ปงกอยู่ห่างจากศีรษะประมาณศอกเศษ็สองพรานอาโวุโสสะดุ้งรั่วและเสียงวีดร้องและเสียงปืนระคนกันร้องเฮ้ยฟังกับเพลงทัวรลุกยืนยืนเสียงมาทางปางพักในห้างเร็วไอจันตามข้ามาแต่พรานเท่าร้องโวยวายทางด้านในกระโจมพักเชิดวุฒเดลคิดและสเตนลี่ก็มังชุลมูลสุดขีดและลุกขึ้นชนประทะกันคริสติน่าเหนียวกายนัดที่2และอีกตูมสนันคราวนี้กระสุนทลวงเข้าไปในปากที่กำลังอ้าอยู่กระทบฟันหน้าด้านบนทั้งสองสิ้น ลากตัวกระดูกระดูเข้าใส่อเมริกันกลุ่มนั้นทั้งกลุ่มคริสกับเบลเพ็ดออกนอกอเขกระโจมพักไปแล้วพร้อมทำเต้นอยู่เล่าๆแหกปากร้องอไล่ออกไปบอกพักพวกฟังไม่ได้สับสแตนดี้ช่วยไลฟื่องประจํามือแต่ยังไม่ทันจะจับถนัดก็ถูกคีดโดดคําเบื้องหน้าชนและบังไว้ทั้งสองทําให้สองลำกล้องปืนไม่ได้ในคีดเตะเซยโครมเข้าไปที่ปลายทางของร่างนั้นขาครึ่งท่อนที่อาปากเ ง, ง, งียบๆเข้างมานั้นเต็มเหนียวพ้ก็คือเหมือนเตะกระทบขอนไม้แต่กําลังท้าที่ส่งล่างนั้นให้พงะตะแคงทิไไ้เช่นนกันัคีโวฟงไมม่้สพพรอวป อยู่ไม่อยู่ก็เตินขึ้นมาพบ ก, กับเหตุการณ์อันน่าหวาดเสียวอย่างกระทันหันนายทหาราอเมริกันหนุ่มใหญ่ตามฟาดด้วยผ่านท้ายไลฟ์เฟลด์ในลักษณะที่เสยขึ้นเสียงกระทบดังกึกและมันก็กริ้งไปอีกสองตลบยีดไม่ฟังเสียงลุยต่อยไปด้วยผ่านท้ายอันหนักหน่วงใกล้กระทุ้งบัด น, นี้ทุกคนในกลุ่มมองเห็นภาพหวาดเสียวอย่างชัดเจนและภายหลังจากแตกคือกันออกมาจากที่พักนอนไอตัวขาดครึ่งท่อนเสียงคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ชายในคณะตะโกนกล้องขึ้นชนิดอุจจาระแทบจะขึ้นไปอยู่บนขอมอเพราะทุกคนจําลักษณะของมัันนนนนไดดดดด้้ีีีีทท่่่่สุุเเเมือออตบบายวณะะโกรริขง์ ตัวขาดเราเป็นสองท่อนนั้นสภาพของมันเป็นเพียงแค่วัตถุโบราณชนที่นึ่งเท่านั้นแต่บัดนี้เดี๋ยวนี้เป็นไปได้ยังไรไอตัวขาดสองท่อนเฉพาะบนจึงครานเข้ามาด้วยแขนสองข้างสภาพเหมือนสัตว์ป่าดวงตาเบิกได้ยังมีวิญญาณและปากอ้าอย่างเตรียมพร้อมที่จะกัดแซนลี่ตั้งตัวได้แล้วประทับไลฟเฟิขึ้นแต่เขายัางไม่กล้าลั่นกายเพราะความรอบคอบ เนื่องจากเหตุการณ์เกิดขึ้นกางแคมป์ที่พักซึ่งวันนี้พ่านพื้นเมืองและลูกหักตื่นเชือกันขึ้นพร้อมกันหมดและกําลังพลูก็ามาวิถีกระสุนเชื่อมออกไปในแนวราบชิดพื้นรัศมีเอ็นมากกว่า45องศาอาเชลแอไปถูกใครก็ได้โดยเฉพาะคิดเอง ก, ก็กำลังไล่หวดอยู่ด้วยผ่านท้ายไรเฟิลเป็นพันลวันเกาจึงได้แต่จดจ้องและวิ่งหาหมุมเพื่อจะยิงอยู่เสียงอ่ะโวยวายกันไปหมดเชิดวุฒนั้นก็โจรออกไปทางด้านปลายเทา้ารัศมีห่างไกลจากกลุ่มนั้นทุกคนนายทหารหนุ่มยอมรับว่าภาพที่เห็นแทบจะทําให้้้้้้ตตตตตกกกใจสสสสสิิิินนนนนนนััวขาาาาาคคครร่่่่่่งงงงงททททออออแมมมมลดดดไไไยยีีีเป็พุ ณขณะนั้นเองเขก็เห็นแขนข้างหนึ่งของมันคว้าส่วนผ่านท้ายของไล่เฟื่อี้ที่ตามกระทุ้งกระแทกไว้ได้กระชากทีเดียวด้วยพลังแรงเกินมนุษย์ขี้หัวที่หมหัวตามเซตามแรงฉุดแล้วกระโดดข้ามล่างของมันไปโดยปล่อยไล่เฟื่ให้รู้จับมือตัวเองเพราะแรงฉุดแยงที่เหนือกว่าเมื่อ น, นั้นเองสเตอร์ดีและอิซาเบลจึงได้จังหวะร่อนกระตุกออกไปพร้อมกันทั้งสองกระบอกโดยกระบอกหนึ่งเป็นไล่เฟื่องจุดสห้าแปีกระบอกหนึ่งคือ M16 คสิบฐานที่ตั้งสวิตช์ยิงแบบกึ่งอัตโนมัติืนเลเเพียงจจะาูกะผปืนขอ ง, ง, อขอ ง, งขหหัวน้าคเะ แต่ข้าที่กระดูกหนกแก้มซี่ขวาพ้กระดูกหน้าแถบนั้นกระเด็นหายแดะไปในพิตาและจากการยิงทั้งสองนัดนั่นเองาการกับบุญธรรมก็ควยแนบตรงเข้ามาแล้วต้องทิ้งตัวลงนอลากระพื้นอย่างเคยชินต่อเหตุการณ์เพราะกลัวถูกแฉลบลงมาถูกกันเองเข้าความขวัญเสียตุ่นตระหนกของคณะนายจ้างยิ่งทวีีดสุดเมื่อเห็นใบหน้าแหวงหายไปกับเครื่องซี่แขนแท้ๆกับตานั้นสะบัดเลื่อนเป็นนิดเดียวกระดูกซี่ที่เหลืออยู่ขาวโพลนผสมกับเนื้อดำๆเห ม, มือนมียางหุ้มไว้ที่ยังเกาะคุมติดอยู่ไม่ได้ผลให้มันยุติรเคลื่อนให้มันยุติกาารเเคลลื่่ออนไวย้ไยยงด แต่คนคานตัวเข้ามาใหา้ยอย่างเช่นนั้นเหยียดแขนทั้งสองกา ย, ยันสูงขึ้นแล้วไปิดอะไรกับมูร้ายที่ชดหัวแผลพังพานทุกคนรีทารปืนเชิดวุฒโกนสุดเสียงแล้วปะทับไรเฟิลขึ้นที่ลำกล้องไปยังกา้านคอด้านหลังนั้นดิสเบลและอีกสองอเมริกันเพนแยกออนออกไปคนละทางพ้นจากลัศมีทางลำกล้องปืนของชอดวุฒิในฐานะหนุ่มเนียวกายจุดามเหแม็กนัมของเขาดังสนั่นลั่นโลกจานกระสุนที่ผ่านวิธีของบุญธรรมเมื่อตอนหกข่ํานี้โดยเกิดเป็นคนแอบเอามาให้แล้มเดียวส่วนหัวนั้นคักกก็เดไปราบถู สายอาสุนิบาดฟาดทั้งๆ้ง ท, งที่หน้าตัดกระสุนของเชิวุฒก้นเล็กกว่าของสเตอรลี่มากล่างที่กำลังคลานกระดบึบกระดบึบทิ้งกายหัวปลงกับพื้นแน่นิ่งลงไปทันทีเฉพาะส่วนหัวที่แหวะช้ำรูดไปก่อนแล้วกลิ้งครุกๆไปทางในคิดและปากยังอ้าอยู่ก็งับฉับเข้าไปที่รองเท้าเดินป่ามันงับได้ตำแหน่งที่ปากของมันกลิ้งไปกระทบเท่านั้นคิดลองว่าตกใจแทบเย่ยลาดตาูหลับตาเตะสะบัดเอาไปสุดแรงเกิดโชคดีที่เขาสวมรองเท้าชนิดหนาและปากที่ง่าออกงับนั้นฝันหน้าบางส่วนก็ถูกลูกปืนของคริสเตเ ด, เ ด, ด ว่าของมันกลิ้งครุกๆต่อไปในด้านอเมริกันสาวทั้งสองซึ่งเพนนี้กันชนิดตัวใครตัวมันเจดวุฒปาดไรเฟิลตามแล้วกดเข้ามาอีกแล้วอย่างหนึ่งเสียงศักดิ์สิทธิ์ทรงอนุภาพยิ่งสําหรับกระสุนแบบหัวแข็งที่บุญคำเอาเข้าพิธีเคล้ากับยันอีเป๋ของแกก่อนแล้วมันพานแล่งกระโหลกลูกนั้นแบกออกเป็นสองเสียงกระจายเป็นสเก็ตว่นปลียวแยกไปคนละทางส่วนร่างกายแน่นิ่งไปไม่กระโดดกระดิกอีกต่อไปบัดนั่นเองก่อนที่บุญคำํำแต่พานพื้นเมืองทั้งหลายจะพุ่งเข้าถึงกลุ่มอันโ ตูมเข้ามามืนจะเป็นการจับคว้างเข้ามาโดยแรงพริบตาต่อมาวัตถุสิ่งนั้นก็ลนตูบลงกลางบริเวณของที่พักซึ่งมีไฟก่ออยู่รอบด้านและเป็นบริเวณใจกลางที่คนทั้งหมดในแคมป์กำลังวิ่งพล่านกันอยู่มันกลิ้งครุกคุกไปด้วยอํานาจแรงเวียงห้หกท่อนแล้วก็มาหยุดนิ่งอยู่ตรงหน้าบุญคากับจันทรผู้พิ่งจะยงโยย ง, ย, งยกขึ้นมาได้จากการทิ้งกายลงหมอวิถีกสุนของไฟนายจ้างโอ้ยทั้งสองพานอาวุโสอุทานล่าออกมาไม่เป็นภาษาเมื่อมองเห็นขนาดพังออนี้ถอยหลังกระหลุดไปสองไม่สามารถคควบุมสเก้าของอพีี่ิตททุคคนเยเห็นร่างิง ส่งข้อพับทางด้านหลังทำลายกระดูกสบ้าหักเขาแลกไปเมื่อตอนบ่ายอันเป็นซากแรกก่อนที่โชติบุตรจวางกับระเบิดของซากที่สองขณะนีน้ม้วนตัวมาคานสีข่ขาลินพี่ปากของมันไม่มีเห็นแต่ฟันอาการจึงเหมือนยิ้มแล้วก็คลานเข่าแขนทั้งสองยืองกายเช่มชับประดุดเสือภาพนี้เห็นการถนัดหมดทุกคนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนายจ้าที่เพิงจะยุติซากแรกลงได้พลวกพานพื้นเมืองแต่พวกลูกห่าโดยเฉพาะอุทากภพะโตสรงเสียงร้องแวกเพนยังไม่รู้เหนือรู้ใต้จะแล่นออกนอกบริเวณปางพักแต่เกิดกับเซย์ที่เพิ่งตื่ น, พ, พ, ขขนพรวดพราขึ พุ่งตัวเะทะเหมือนแทกลับดีกระชากขาทั้งสองคนล้มลงเช่นก่อนจะกระเจิงหายเข้าป่าขึ้งนงั่นหมายถึงวาระสุดท้ายของมันแน่ในภาวะเช่นนี้ลิซเสียปืนสั้นเข้าสองสปายไลน์ดันเข้าไปยังที่นอนกระชากเอ็มสิบออกมาเดือดกับสเตนววดี้ตรวจปืนที่หาล่างนั้นแต่แล้วก็สติดีที่ยังไม่กลา้าเหนี่ยวไกปืนออกไปเนื่องจากเห็นบุญ ร, รมกับจันเพราะว่าพาวังอยู่หลังวิธีกระสุนส่วนคิดนั้นทุ่มจะวิ่งมาคว้าไหล่เฟินของตัวเองที่ถูกไอผีดิบครึ่งตอนซึ่งบอล น, นี้ถูกกระส ไม่ยอมฟังเสียงเขอีกทั้งสิ้นนายผมสรงลานบินตอกระสุนนัดแรกออกไปเสียงสนั่นวอนไหวหัวกระสุนห้าเกรนจากจุด4 5 8ห้าแปม็กเจ็บเข้าสีข้างของล่างพี่กำลังคลานทาท่าจะไล่กัดบุญคำกับจันอยู่นะท่านนัดท่านีที่สุดถ้าเป็นสัตว์มีชีวิตและกระสุนกระทบแนวแแรักแรแดงในระยะไม่ห่างกันเรืแรงประทะ5000ฟุตเปล่าเช่นนั้นแลดหรือชางก็หยุดก็ยังสุดแต่นี่ปรา่ากระสุนทะลุร้อยผ่านตัวมันไปเฉยจะมีอาการบ้านก็เพียงส่วนเสีตะแคงไปบ้างเท่านั้นแล้วก็ทรงตัวขึ้นมาคาน เหมืนวนหันรีหันขวางมันจะหาเป้าหมายว่ามันควรจะมุ่งไปหาใครที่ใกล้ที่สุดไอ้จันยิ่งบุญคาตะโกนสุดเสียงแก้วของสุดแก้วเสียงของแกขนาดที่ตัวเองก็พงนานหลังทุกคนมอบลงจันร้องฟังไม่เป็นภาษาสั่งการออกไปคริสกับเบยอยู่ในแนวทีดทางพอดีโจนวูบเข้าบาังหลังปลวกเตีย้ยๆพวกรูปหับที่กําลังพรู ก, กันเข้ามาด้านนั้นอีกสาคนก็ทิ้งกายลงนอนราบกับพื้นเราคุ้นเคยกับคําสั่งและชินเหตุการณ์ดีแล้วส่วนคีิเช่ววุฒและสแตนนี่อยู่เรื่องคนละมุมรถกายวบูบลงนั่งยองกับยองกกกับพื้นระามแ่ยอป้งออกไป นี่ที่หางไม่เนสีวาทสี่สันรกนั้นพาแล้งออกเป็น2จงีกอีกครั้งคล้ายถูกขวานจาร่างกายที่กำลังคลานอารวาอยู่ด้วยอาการดุร้ายและคนไปด้วยความหน้าคนลุกขนพองเพราะสะภาพอันผิดวิกฤตชนิดที่เลือกกันว่าสำแดงกายหลอกร้อนกันซึ่งๆหน้าพังภาพลงแนบดินทันทีเหมือนตุ๊ ก, กตาหมดลานลงยังก็ทันทันจากกระสุนล้างอาถรรพ์ที่บุญธํามทำแจกพักพวกไว้เมื่อก่อนนอนกระสุนเหล่านี้ก็มีอยู่แต่เพียงเฉพาะพวกของแกสคนชดวุฒอีกหนึ่งกระบอกและ M16 ที่แกถือไว้โดยมีแมกกาซีนชนิด30นนะนัออีกกกระบเท่า้ สติสตังที่ยังควบคุมกันไม่ดีนั่งจากเหตุการณ์อันน่าสะโยดสะยอมที่จู่ๆก็ปรากฏร่างอันชั่รุตไปแล้วไอ้ผีติดสองตัวติดตามมาอย่างไรไม่ปรากฏแต่ก็โผล่ขึ้นมากลางแคมป์ไล่นับคนที่อยู่ในแคมป์เป็นคารวันว่าจะถูกสะกดด้วยลูกปืนแน่นิ่งย่อยับไปได้ก็ทำเอาอปางพักแทบถลม่มทุกคนหน้าขาวสีตกใจขีดสุดโวยวายกันส น, นั่นไปหมดด้วยดีร้ายต่อหลายกระบอกจ้องตรงเข้ามาชนิดที่จะช่วยกันยิงซ้ําไปยังร่างสองร่างที่กองอยู่กันนั้นแต่ทั้งจันและบุญคาร้องบอกกระร่ำระ u, ักกเเยยยอ่าางงีวววนหดถูชป เกิดกับเสือวิ่งปราเข้ามาถึงกลุ่มนายจ้างซึ่งบัดนี้ปองจอกจะมาโยะมารวมกลุ่มตัวแข่งกันไปหมดบอกว่าพวกในห้างไม่ต้องกลัวเอามันอยู่แล้วแล้วทั้งสองก็ช่วยกันล่างที่ขายเครื่งท่อนกับล่างที่จันยิงนอนนิ่งไปนั้นเข้ามารวมไว้ด้วยกันกลุ่มอเมริกันทั้งหมดและลูกหาก็พูดกันเข้ามารายร้อมเสียงอุทานสะบดกันโขลมถมเถสแซดไปหมดจนฟังไม่ได้สับทุกคนพูดกันเร็วปรีดขณะที่จ้องมองไปยังซากอันน่าสยองกล้านั้นซึ่งบัดนี้ถูกกระสุนอาคมของบุญคคาจยยยิิิงงงงไดด้ีีมมืออออขเเชรรตตููกันนทหสล่่ อะไรกันนี่มันเกิดขึ้นได้ยังไงไอ้สองตัวที่เราพบเมื่อตอนบ่ายแน่แน่สเตนลี่สำลักอาการเขาเหมือนจะเป็นลมแน่นอนทุกคนจำลักษณะรูปล่างและความพิการของซากได้โดยเฉพาะพวกที่ไปกับพระพินเมื่อตอนบ่ายนี้ฉันตื่นขึ้นมาพอดีกับไอ้ตัวนี้เลิกผ้ากระโจมแล้วจับข้อเท้าชนไว้ก่อนจะลม้มลงกราดปลายเท้าทลิสติน่ารัวรินแค่ฟังไม่รู้เรื่องกายหลอนสั่นเธอะเหมือนผีเข้ามันจะมาทํางไหก็ไม่รู้แต่เข้าทางด้านปลายเท้าของพวกเราพระเจ้าไม่เคยพบเห็นอะไรน่ากลัวอย่างนี้มาก่อนเลย ตัวมันขาดครึ่งท่อนไปแล้วมันยังคลานมาเล่นงานเราจนถึงที่นี่ได้ไอตัวนั้นก็เป็นตัวที่ระพินยิงสะบ้าวว่าเขาแหลกไปเหมือนกันยี่ชีบอกเสียงโวยวายดังขับป่ารอบด้านอิสซาเบลนั้นพูดอะไรไม่ออกได้แต่ยืนตะลึงหน้าไม่ปิดอะไรกับศพบุญคำคำรามลั่นบริกรรมอะไรพืมพรในลําคอและโดดข้ากระถืบล่างทั้งสองที่เห็นชัดแล้วว่าจะใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้อีกแล้วอย่างเด็ดขาดเพราะศีรษะขาดหายไปด้วยอำนาจของลูกปืนอาคมชนิดที่วิ ญ, ญญาณร้ายใดๆก็ตามต่อให้มีอิจิริศสักการใดก็จะลุ ว่นมาสิงสู่ไม่ได้อีกพวกเรากลับยามกันหรือนี่เชิดวุดิร้องขึ้นไม่ได้รับนายทหารจันกับพี่คำและพวกลูกหาดสามคนอยู่เวรผัดนี้แต่ไอตัวย่องเขาไปกัดแหมไม่รู้มันย่องมาจากทางไหนเพราะเงียบแล้วเกินไอตัวนี้มันลอยมาจากในป่างเมื่อถูกอะไอจับคว้างเข้ามางั้นแหละตกลงกลางปางพักพอดีจันพูดท้อเพาะฉันยิงมันถึงสองนัดถูกบริเวณหัวอย่างจังแต่ก็หยุดมันไม่ได้อาจารย์ก็ยิงหน้ามันแบงหายไปทั้งซีกมันยังคลานอยู่ได้อีกรู้เหมือนจะคอขาดกระเด็นไปเพราะกระสุนโชิวุฒิ พูดถึงอาการสำลักไอตัวนั้นก็เหมือนกัรตอนที่มันการงับซ้ายงับขวาอยู่มันก็ยิ่งถูกมันอย่างจังไม่เห็นมันสะดุ้งสะเทือนแต่พอโดนปืนของจานก็โลกผ่าแรงเป็นสองซีกนิ่งไปเลยคิดอไอ้อวยวายขึ้นมาบ้างชี้ไปยังอีกตัวหนึ่งเชิดบุดเริ่มใจชื้นขึ้นมาทันทีกอดไรเฟิลของตัวเองไว้แน่นหันไปมองดูบุญคำอย่างมั่นใจตาพรานเท่าไม่กล้าอะไรทั้งสิ้นแล่นกลับไปยังที่นอนของแกควา้าไดเอมสิบกระบอกสำรองแกเอากระสุนมาคุกของอาถันทำพิธีไว้ก่อนแล้วยัดเยียดส่งให้คริ ไอ้ปืนกระบอกนี้เอาปืนที่แมมถือเก็บเสีก่อนเถอะจะยิงกับไอ้ผีที่พวกนี้ต้องเอาปืนที่บุญคาเข้าพิธีซสก่อนไม่งนั้นยิงมันไม่อยู่หรอกชื่อไอ้คำเอาปืนกระบอกนี้ไปถ้ามันโผล่เรียงหน้ากันท่ออีกปังไหนปังนั้นมีการลุกขึ้นมาได้อีกแล้วต้องแล้วตลอดไม่มีการลุกขึ้นอีกแล้วตลอดไปรีสแลปเอ็มสิบกกระบอกสำรองที่มอบให้บุญคาเก็บรักษาไว้นั้นมาถือว่าอย่างงุนงงไม่เข้าใจอะไรเลยเดแต่ก็ปฏิบัติตามที่แกบอกอดฐานกระบอกที่ถืออยู่ในมือสไพร์ไรฉันตวนะิ สังคับการยิงของกระบอกที่เพิ่งถูกส่งมาให้และถือประจํามือทันทีพร้อมแม็กซ์อะไรบรรจุกระสุนเต็มเน็ตไว้ที่สองขาคางเกงเน็บไว้ที่ซี่โขาคางเกงสเตอร์รีเดี๋ยวไป ร, บรอบๆอย่างรวดเร็วและทำดังๆว่าพรานใหญ่อยู่ไหนทุกคนดูเหมือนจะเพื่องคิดถึงระพินได้เพราะทำกลางการโกนล้หนขึ้นกลางแถมไม่มีใครเห็นวี่แววจองพรานเลยนายออกไปนนดักทางด่านตรงโน้นตั้งแต่หัวข้ามบุญคำชี้บอกอันนี้ยังไม่เห็นโผล่มาให้เห็นเลยทุกคนมองหน้ากันโดยเฉพาะเชิดวุฒและฝ่ายนายจ้างอเมริกันระพินเชิดวุฒิตะโกนเรียกร ไหนเห็นเขาเคยนอนอยู่ตรงไหนพาไปสิคุณอเมริกันทุกคนคุณคุณเกิดเป็นเสียงเดียวกันทั้งหมดทุกคนไหวตัวบุญทคำกับจันเองก็อยู่ในภาวะสงสัยเต็มที่เช่นกันตามปกติหากไม่เกิดอะไรขึ้นการที่ระพินจะเงียบเชียบอยู่เช่นนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาของเขาแต่นี่เสียงปืนออกดันสนันวั่นวายไปทั้งแคมป์พร้อมกับเสียงเอะอะโวยวายโกลาหนอึ่งอ้นแม้กระทั่งพวกเหรี่ยงตะเคียนทองที่อพยพขึ้นไปตามโพรงถ้ำบนหน้าผาด้านหลังที่ตั้งแคมป์ก็ยังรู้สึกตัวจุดใต้สว่างวอมแบมพร้อมทั้งกูตะกนเงงลมาาาอะถ่ิดไรขึ้้ แล้วตัวระพินเองล่าไปอยู่เสียที่ไหนคุญคำเดินนำหน้าเรียวไปทันทีทุกคนตามกับฉันชิดแต่ละขนาดนั่นเองก่อนที่กลุ่มนั้นจะพ้นแนวกองไฟกองสุดท้ายเป็นนั่นเองพวกลูกหับที่ประจำกันอยู่ทางด้านป่าฝังขวามือก็ส่งเสียงบยวยวายร่าพร้อกับเสียงระเบิดตูมของกระสุนลูกสองชนิดลูกโดดครั้งแรกก็ตูมเดียวกันถึงวินาทีต่อมาก็ตูมตูมตูมน้ำไม่ท่วนรั้วเป็นจังหวะทั้งหมดสะดุ้งสุดตัวอีกครั้งหันขวับพวกนั้นกําลังวิ่งวุ่นเหมือนหมดแตกกลางใครคนหนึ่งแห ว่หน้าลูกถามนั่นเองจะฟังไม่รู้เรื่องว่ร้องบอกความว่าอะไรไปใช้ทุกดวงของฝ่ายนายจ้างและพวกพรานพื้นเมืองที่กําลังส่งไปทางด้านระพินหลบไปนอนดักปากทางไว้ผู้ชายกระดาษแยกกันไปทั่วทิศในแนวป่าทึบที่ล้อมรอบปางพักอยู่เนรูปครึ่งวงกลมภาพที่าย่ใจแต่ละดวงตาเอาไปกระทบทําให้ทุกคนวุฒใจชอบจะหล่นไปอยู่ที่ส้นเท้ามือจีนอ่อนเป็นหมด ท, ทั้งทั้งที่มีการเตรียมกายเตรียมใจกันไว้ล่วงหน้าแล้วนะโมโพธิสัตโตชโยตุวัตยปิมพ์ิปากมุกมิดตัวระลึกถึงพระพุทธคุณและพระเครื่องราาง อ, อ, อย่มตัว ในขณะที่เอามือข้างนุ่งตะปบหลวงพ่อทั่วที่แขนติดตัวคยุ่มแน่นนาทีวิกฤตที่สังหรณ์กันอยู่ตลอดทั้งคืนได้ปรากฏเงาแห่งความจริงของมันขึ้นมาแล้วน้ำบัตรนี้ทุกคนอาจะที่ตัวตาฝาแต่คนเราจะตาฝาไปพร้อมกันหมดย่อมไม่ได้ป่ารอบได้ในรัศมีวงกลมเบื้องหน้าถูกล้อมไว้หมดด้วยกองทัพโคชสารยืนตีวงเรียบเบียด ก, กันราวกับสึกท่ารากับช้างสึกในขณะที่เคลื่อนเข้ามาหมายประจันบานต่อเป้าหมายซึ่งตรงใจกลางแต่ละตัวขนาดเท่าภูเขาเหล่ากาลเรากับจะคัดกันมาโดยตรงไม่มีตัวไหนย่อมยาวไปกว่า ปริมาณไม่จคะแนะ น, น, นับได้เพราะมองไปทางไหนก็ทมุนทืนแน่นขนาดไปหมดแถวที่เรียงล้อมไว้เบื้องหน้าเห็นมืดเต็มส่วนแถวที่ยืนซ้อนหลังเตรียมจะประดังเป็นทัพหนุนเนื่องเข้ามายังมีอีกเท่าไหร่ไม่ทราบได้ที่หน้าปรจาจัยที่สุดก็คือการปรากฏตัวของพวกมันเงียบเชียบที่สุดไม่มีอะไรกระโดกโตกะตากเลยแม้แนวป่าแวดล้อมรอบด้านจะเต็มไปด้วยพงไม้ทึบแสดงว่าเคลื่อนเข้ามาอย่างเจตนาให้เงียบกริบที่สุดภายใต้อำนาจวงการที่แน่ของอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งครองที่คนอยู่เหนือพวกมันอย่างเชียบค่ะ กระสุนลูกโดดของปืนลูกซองจากฝ่ายลูกหาชีรเบอร์เตือนทุกคนขึ้นนั่นเองจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการโกร้าหนอย่างที่เรียกกันว่าตะลมบอลตัวหนึ่งเห็นถนัดว่าสุดควบลงในทันทีและอีก2ตัวจากคนละด้านพุ่งปรีเขออ้ามายังรวดเร็วไม่มีเสียงร้องหรือเสียงโกลจน่าใดใดทั้งสิ้นนอกจากเสียงเพนปตัตพีสะเทือนเลื่อนลั่นเพราะขนาดน้ำหนักตัวทั้ง19ชีวิตภายในแคมป์อันประกอบด้วยพวกลูกหาพื้นเมืองและฝ่ายนายจ้างทั้ง5คนตกอยู่ในภาวะสุดที่จะบรรยายได้แต่ยามนั้นมันดูเหมือนกับว่าวใมดสดทีุ่ากล นันเป็นเสียงตะโกนสุดเสียงของหัวหน้าทันนะซึ่งบอกชัดทันทีว่าอ่านการเป็นทหารมาแล้วอย่างแน่นอนเมื่อนั่นเองสงครามก็อุบัติขึ้นระหว่างมนุษย์กับกองทัพช้างอีกเคลื่อนดีบเขมาพร้อมกันทุกด้านระยะจากฝ่ายมนุษย์ซึ่งตกอยู่ใจกลางกับรัศมีกลางครื่งคราวมันเงียบของมันหางไม่เกินเพียงห้าสิลาเท่านั้นโดยไม่จําเป็นจะต้องสังการใดๆกันอีกทั้งสิ่งทั้ง19ชีวิตหันหลังเข้าหากันหันหน้าปากระบอกปืนออกไปยังศัตรูมันเป็นสัตว์ใหญ่นับจํานวนไม่วนท่่กกํางประดหนนนนุเือข้ควาามเงงียบขอรวย กลายเป็นยุทธภูมิรลกในทันทีหูดับตับไหม้ระลอกแรกประมาณสิบกว่าตัวดาน้าเข้ามาบ้างล้มฟุบบ้างกริ้งกระแทงคราวนี้ได้ยินเสียงแผดร้องโอกอากแปรน์แปรน์ของพวกมันเลือดสายกระจายไปทั่วทุกพุ่มพงชิดวุดิด้วยความมั่นใจในกระสุนที่บรรจุในไรเฟิลของเขาปักหลักอยู่กับที่แต่ละตู้ของเขารอกับมือพรานที่ชํานาญพลายหรือพรานช้างโดยเฉพาะเระต่อกลางกระโหลกหรือบริเวณส่วนศีรษะตัดสมอง ล, มล้มคลืนลงทุกครั้งพอกระสุนหมดก็เพ่นถอยตลีตลือกมันจุชุดใหม่เกิด เล่นคำว่าป่าะะประกบลังไว้ถอยก่อนนายทหารเจาพานเด็กหนุ่มตะโกนบอกพร้อมกับซัดสามเ็ดห้าประจมือเอาไปหัวเสียงหัวกระสุนกระทบร่างกาแอนใหญ่โตดังดินได้ยินถนัดแม้ว่ากำบ้าหนาของเสียงปืนจะเกลีกล้องอยู่แล้วก็ตามเศษกระดูกเศษหลังบางส่วนของไอตัวที่ตกเป็นเป้ากระจายว่นเกิดทํำหน้าที่คุมการเชิดบุญไว้และยิงปะ่าประทังเพื่อนนายทหารหนุ่มได้มีโอกาสบรรจุ ก, กระสุนชุดใหม่เสยพุ่งของหารในคิดขอยืนเคียงคู่ไว้แล้ะจะถือปืนคุมเชิงอยู่ยังฉลาดเพระเาะถึอ รู้ว่าคีตจะต้องยิงจนหมดกระสุนที่บรรจุอยู่ในแม็กกาซีนของตนและต่อจากนั้นแหละโอกาสที่จะแหลกล้านก็จะมาถึงซึ่งจะจะทําหน้าที่ยับยั้งไอ้ตัวที่พุ่งเข้ามาใกล้ในคีตที่สุดเบวกับพิสโตดแยกกันออกไปคนละมุมส่วนเท่ากับลูกห่าบที่กําลังตาลูตาเหลือกหลับหู้หลับตาเพราะพวกพวกนั้นมีปืนลูกซองเดียวบ้างแฝรบ้างกระสุนในวงจํากัดเมื่อยิงแล้วก็ต้องหักลําบรรจุหมายเสอสาวอเมริกรรันที่สูญชาติออกมาอีกครั้งว่าในภาวะวิกฤตเช่นนี้ทั้งคู่จัดอยู่ในสติประเภทสติมั่นคงและห้าวหหาายยยิิ่่งงงงอ M16 ระเบทีปปปปัๆไ็นจ มันไม่สู้จะได้ผลนะเพราะหัวกระสุนตัดเล็กและงประทกน้อยเกินไปสำหรับสัตว์มันมาที่พุ่งเข้าใส่ในขณะนี้กว่าจะล้มแต่ละตัวก็พุ่งเข้ามากับจะถึงกายกันแล่นเข้าไปคอยคุ้มกันหมอเบลไว้ในขณะที่แต่เท่าบุญคำก็ประชิดอยู่เบื้องหลังของคริสติน่าตัวไหนที่หลอนยิงไม่ล้มไอทวีความดุร้ายก็เรีวกรามวอนว ง, ง, วงและแล่นเผ่นสะเทือนเข้ามาวุ่นวิบจวนตัวก่อยก็บรรจงต่อโครมเข้าไปด้วยจุดสามเจ็ทลมพวบลงฟาแผ่นดินสะเทือนพร้อมกับร้องตะโกนบอกว่าแหน ม, มเลือกยิงหัวมันันนออยยย่่่่าิิงงงทีีืรสไมฟเ ก่นแทบจะยิ่งทีละนัดซึ่งไม่ทันใจปัดนี้ผักสวิตไปที่รูออโตโอ้ประทับเอ็สิบหขึ้นในระดับต่ําแนบเอวแล้วก็โกดพืดพ่ดเพื่อออกไปเป็นชุดๆอย่างชํานาญชุดละสามสีนัดแต่ทีเร็วโดยสายปารกระบอกปืนในแน ว, แนวแกราาวนี้ได้ผลหลายตัหลายตั ว, ตวที่เบียเซียนยัดเยืันเข้ามาหมุนคว้างโดนบริเวณเขาโดนบริเวณขาบ้างลําตัวบ้างหลุดเข้ากโลกไปบ้างทางไมล้มก็เป๊ปะปะัดโซนเซซีโอกาสเชื่องช้าไปเสียงร้องของพวกมันคราวนี้แท้ครมึมกึกก้องปากเป็นเสียงให้ความเจ็บปวดและโขนโกรธแค้นด้วยฉะนั้ เรียกพวกพ้องให้ช่วยกันประดังเข้ามาอีกแดนนี่ดูมันจะฉลาและไหวพริบดีที่สุดเพราะสามารถปคำนวณสถานการณ์ได้ว่าไม่สามารถจะปะทะหยุดยังกองทัพเอ็กซ์ตราพีสิงนับจะไม่ทวนเหล่านี้ได้เขายิงออกไปเพียงสามนัดเท่านั้นเขาที่บัรจุอยู่ในไลฟ์เฟิร์นขนานักซึ่งทุกนัดซึ่งทุกนัดเจ้าช้างมหาการที่ตกเป็นเป้าล้มทั้งยืนและตัวเองก็กลั็แล่นกลับมาที่เต้นนอนซึ่งวัด น, นี้สายกาั้งขึงขาดคะตลบลงมาคลุมไม่หมดหรือคนโดยเรคว้าได้ระเบิดสังหารหกจ็ลูกเอามาเน็บไว้ก่อน เพามันจูกระสุนชุดใหม่อย่ายิงพร้อมกันหมดทุกคนผลัดกันยิงเป็นชุดๆเมริการหัวหน้าคณะตะโกนเท่าที่เสียงจะมีอยู่ทั้งหมดสั่งการแต่หาประโยชน์อะไรไม่ได้ในยามนี้เสียงปืนเสียงช้างฟังไม้หักล้มพินาศยงเอะอะของคนในแคมป์ตลบหมดเบลนั้นได้ยินเสียงคริสยิงเป็นชุดตอนก็ผลักสวิตช์บังคับการยิงกัดฟันกราไปเป็นชุดยาวเลยกดเลียดกับพื้นละ ลาเฉียงขึ้นตามแนวสบัดไตของ M16 การยิงรัวฟัวโตวแบบนี้จะไม่ได้ผลเลยถ้าหากระจันหน้ากับมันชนิดตัวตั ว, ตวหรือตามยิงแบบล่ากันธรรมดาแต่ในยามที่ไอ้ช้างผีเปรตมันจะถูกวงการจะซากเวกมนนโลกพัวกันเข้ามาเป็นกองทัพแบบนี้เอ็ยิงแบบแบบคนก็ได้ผลช่างงัดไม่ใช่น้อยเหมือนกันไม่มีนัดไหนพลาดเป้าหมายเลยเพียงแต่จะถูกส่วนใดของตัวใดเท่านั้นแล้วมันนุ่นเนื้อมันก็มอมมากเหลือเกินต่างพลดต่างด้านกันเข้ามาส บ, บัดนี้นัด ก, กระสุนนัดแรกระเบิดขึ้นกิมราไม่เพียงสองสามนาทีเท่านั้นซ ล้มโรเนลาน่าเป็นภเขาเรากากลายเป็นแนวกรีดขวาของพวกมันกันเองก็พุ่งไม่ให้พุ่งก็้มาได้อย่างรวดเร็วเพราะจะต้องสายซ่าของพวกมันเองที่ล้มกลิ้งไปก่อนแล้วลวดน้องแทบจะท่วมท้นดิ่ดเชิงผาอนั้นไม่มีใครกะทูกว่าพวกมันล้มไปแล้วกิ่ดตัวแต่ที่แน่แ่ไม่มีการถอยเพราะหนุนเนื่องกันเข้ามาราวกับกองพันของทหารกล้าตายชนิดที่บุกขยี้ทาสงครามแตกค่ะถ้าเป็นการสู้รบระหว่างคนต่อคนด้วยกันระยะนี้ก็เรียกว่าติดดาบลายปืนและฝ่ายมนุษย์เอ ง, องุก็ปีนกันพลาน มือนมดแตกกลางคนนั้นวิ่งไปสกัดยิงด้านนี้แล้วคนนี้ก็วิ่งไปทางด้านโน้นไอบ้บางก็วิ่งหนีเพราะบรรจุกระสุนไม่ทันก็ล่อวนอุลรมาณยิ่งกว่าข่าวที่พะทธา ก, กันตรงป่าภัยจะอีกกองไฟใหญ่น้อยรอบด้านที่ก่อไว้ยามนี้มาประโยชน์อันใดไม่ได้เลยเพราะพวกมันบุกตะลุยผ่านแนวเข้ามาแล้วยิ่งยิงทางตะโกนด่าพ่อล่อแม่ไปฟังแตนลี่นั้นตะโกนอยู่แต่ว่าให้ถอยขึ้นหน้าผาแต่ไม่มีใครสนใจฟังเสียงเขาหยับระเบิดมูอยู่หลายท้งแต่ไม่กล้ากว้างเพราะรัศมีของระเบิดสังหารมันมันเลียดดินแองสเกวก ก, วกกกพพัันเเองเา้า ลิสยิงหมดแมกกาซีนส0นัดแรกไปแล้วหลอนบรรจุแมเกข่าวปล่อยทิ้งกระชากแมก็กสำรองที่บรรจุกระสิทกนเต็มขึ้ น, นมายังยัด ส, ส่วนเข้าไปแล้วก็ก น, นำยิงต่อไปอย่างบ้าเลือดปากมันตะโกนเรียกหาระพินไพรวันแต่ไม่ได้เรียกดบดีอะไรทว่าเป็นการตะโกนสาบแช่งและดาที่ตัวเองไม่รู้สึกจนโกรธแค้นในยามนี้ มองไม่เห็นมักคุเทศนำทางอันเป็นที่หวังที่พูกของทุกคนเลยไม่รู้เขาหายตัวไปไหนเสียแล้วบุญคำพยายกระชากรอนให้ถอยหลังพระนี้ไปทางหน้าพาแต่แม่ผมทองสบัดไม่นำซ้ำยังยกเท้าทีบจะเท่าเจ๊แซดๆไปแล้วแยกเขี้ยวหันเป็นกระหน่ำลูกปืนสายทับช้างที่กำลังเคลื่อนขบวนเข้ามาเล่านั้นต่อไปข้ามันข้ามันให้หมดอนแพรเสียงถ้ามันไม่หมดหรอกแมมแต่มันจะขยี้เราแหลกหมดบุญคาร้องเสียงหลงเจ้าตัวหนึ่งเจอลูกโดดของนายตาบเข้าที่โคนวผําลังบ้าดีเดือดแล่นทะลวงผ่านเข้ามาใจกลางแทมคีทัวดวุ ระยะห่างแค่ 5-6 วาเท่านั้นที่มวงของมันจะยื่นถึงบุญคำขวับมาพอดีร้องจากแย่กับบอกลำกล้องพวดอย่างททนิดที่ช้เข้าไปใส่หน้ามาแล้วน้าไปแช่กระสุนของแกชุดนั้นหมดพอดีหมุนขวาของราพินร้องสุดเสียงแผ่าคว้าแม่ผมทอแต่ชากล้มกลิง้งครุกครีไปด้วยกันคนราสมีของไอ้ักนั้นไปได้เพียงฝ่ามือมันหมุนตัวกลับเขา้าสสยนั่นหมายถึงว่าทั้งบุญําและรีสเสียน้าจะต้องแหลกไปด้วยกันทั้งคู่แดนลี่กำลังป้อนกระสุนเข้าแม่ไลฟ์เฟิร์นเขาเห็นเหตุการณ์นั้ หันก้นให้พอดีวกกระสุนห้าร้อยเกรนตัดหางมันค่ะตกลงกับพื้นแล้วทะลุลวงเข้าไปทางช่องทว า, นนะหารหนักผ่านลางลำตัวผันกลางลำตัวอย่างรุกที่สุดทั้งทงที่คนยิงยิงออกไปอย่างทรงเด็ดโคฉสารตัวนั้นขาหลังคูลงก่อนร้องโอ๊กยาวลัน่นแต่แต่ขาหน้ายังสั่นที่คริ ก, ก, กสบัดฟาดงวงไปมาปลายง่วงของมันทางจัดคริสซึ่งบุญทํากอดกลมไว้แค่ฝ่ามือเดียวพลานเท่า มนตัวกระชากอาแอมล่างใหญ่ถอยออกไปอีก ท, ทั้งทั้งที่ตัวกันเล็กนิดเดียวมันพยายามเป็ยันขาหลังให้ได้ด้วยการยักแย่ยักยันนายตาหรือมิชนะเพราะลูกหาคนใดคนหนึ่งเห็นไม่ถนัดวิ่งกรเข้าไปชิดทางด้านกหูซ้าตอก็ระสุนลูกโดดเบรนเบรนเนกเก้โครมลงก็ยังอาหารไม่ถึงใจระยะยิงห่างแค่คืบเดียวนัดนั้นเองทาให้ฐานหน้ายังยันพื้นของมันคูลงแล้วเปลี่ยนเป็นตะแคงราวกับกแพงล้มฟุนตลลกระสุนลูกโดดหมดแล้วเสียงพวกลูกหับตกนบอกกันต่อไปคุณําชุดแอมคริส ขนมายืนได้ขนาที่เชิดวุฒิคิลและอิซาเบลก็วิ่งกันเข้ามารวมกลุ่มโดยที่มีเกิดและเสรยวิ่งสลับกันไปมาปัด ก, กันยิงอย่างดุเดือดเป็นการยิงระยะที่ใกล้ที่สุดและเป้าหมายแ่นธรรมหาเองจริงยากนักที่จะผิดหวังในกระสุนแต่ละนัดของพรานมือดีทั้งสองปูกทุกตูหมายถึงการล้มอย่างหมด ด, ดิเดตตายหรือไม่หาที่ไปอีกเรื่องนึ่งจะไม่มีโอกาสจะลุกขึ้นอีกสองละลอกที่หนุนเนื่องกันเข้ามาแต่แรกกลายเป็นภูเขากั้นแนวบุกของพวกมันไปเสียแล้วแต่ละลอกที่3ามนี่เองฝ่ายมนุษย์ก็ขวัักระเจงงไปอีค้ ช้างจำนวนที่ถาโถมบุกตรุยเข้ามานี้เป็นรูปขบวนช้างสึดจริงๆในละลอกที่สามซึ่งกําลังย่างก้าวเขาา้าซ่าข้ามซากเพื่อนมันเข้ามาหลายแต่หลายตัวมีร่างคล้ายมนุษย์นั่งประจําอยู่บนคอด้วยเหมือนควานทําหน้าที่บังคับช้างเฮ้ยดูนั่นไอตัวอะไรมันนั่งอยู่บนคอช้างพวกพานพื้นเมืองและรูกผาตโกนบอกกันวุ่นวายพวกนายจ้างพงงานหลังไปใช้สองสำนวงสาเราไปกระทบกับภาพเหล่านั้นได้ลางๆแต่ตาไมห่หลอกแน่มีอะไรที่รูปร่างเหมือนคนนั่งอยู่บนคอช้างจริงๆชุดหนึ่งประมาณเจ็ดแปดตัวจะ นั่งขบวนน้ำอยู่ล่างหนึ่งกางแขนทั้งสองออกบกก้อนช้างให้ประดาเข้ามาคนยิงก่อนเป็นคนแรกในชุดตลองที่3คืออิสเบลลอนไม่ได้ยิงช้างหมายยิงไปยังล่างที่นั่งบนคอในลักษณะควานเสียงปรี่ยงกระสุนแหวนอากาศแต่ว่าผิดก็ใช่ที่สำหรับฝีมือขนาดนี้แต่ไม่ปรากฏว่าล่างที่อยู่บนคอช้างสะดุง้งสะเทือนหรือพงหาหลุดไปเมื่อนนั่นเอ ง, อางจานกิงสลัดเ16สิบหำรองอีกกระบอกหนึ่งที่สไพล์ไหลอยู่และไม่เคยใช้เลยออกมาแนมยิงมันด้วยเอกระบอกนี้แกร้องบอกเบลคว้าปืนที่จับโยนมาให้กระชากฐานอลับยยงงีค้้าวนนนเเ่่ห็ู จึงวิ่งดุมดุหัวกระดุกระดุมเข้ามากระเด็นพล อ, อยร่วงไปในทันทีอย่างน่าอัศจรรย์และทุกคนก็ช่วยกระ ด, ดมยิงอีกและจะหมายไปยังล่างที่นั่งบังคับอยู่บนอยู่ทั้งสิ้นบุญทําเกิดเสยจันและเบลถ้าจับปังเขาที่ล่างไหนบนคอช้างได้ผลทุกนัดร่วงไม่เป็นท่าหายแบบไปนในความทุลมุนของสีนถือมาที่กระรูย่ำเข้ามาแต่ถ้าเป็นปืนของคิสแดนลี่ตูมปล่าไม่มีความหมายนอกจากจะหมายยิงหัวช้างเท่านั้นจึงจะเห็นว่ากระสุนทํางานพอได้ผลบ้างพวกลูกหับใช้กระสุนลูกโดร์พินแจกไว้จนหมดคราาาวนนีี้กกตตต่อัมมมเิด เล่นลูกปลายดับเบิลโอบักที่มีอยู่ก่อนแล้วซึ่งก็ยังดีกว่าจะถือปืนไว้เฉยๆเสียงลูกซองกระสุนลูกปลายระเบิดพวงพวกคนอีกหลงงมไปหมดโว้ยต้านมาอยู่แล้วโวยไครไม่เพนกูเพนละจะเท่าบุญทําแหกปเปาออกมาเพราะตัวเองกระสุนเท่าที่บรรจุอยู่ในกระเปา๋าคนเกงยีสิบกว่านัดหมดชิ้นไปแล้วเพนใสตีนมาไปทางหน้าผาโดยเร็วไม่ห่วงใครทั้งสิ้นแม้แต่แม่ผมทองซึ่งแกเป็หน้าที่คุ้มครองดูแลอยู่เพราะรือกําลังจะลากเข้าห้ามปลามตักเตือนกันยังไงยามนี้หล่อนก็ไม่ยอมฟังเสียง พอดีผ่านหนาแซลลี่ว่าหน้าคณะควาคอแกไปได้บุญคาเอาอยัางไงถอยในห้างถอยขึ้นหน้าผาได้แล้วไอคาจะบอกอยังไงก็ไม่มีใครฟังเสียงเรากําลังจะเล่ ก, กันทั้งหมดช่วงมันแหกันมาเป็นร้อยๆตัวยิงจิงกระสุนแทบหมดแล้ววันนั้นเองแซลลี่จึงตัดสินใจเด็ดขาดกระชากสลักนิรภัยจากระเบิดมือออกแกคว้างโดงขึ้นไปไกลที่เพื่อให้ห่างที่สุดการให้ตกลงกลางโค้งของไอเงาดําซึ่งวันนี้ชุนละมุนสังเกตกันไม่ได้ว่าตัวมันอยู่ตัวไหนอิดใจต่อมานั่นเองระเบิดก็กําปน้าสะเทือนเลื่อนลั่ ทำการความแตกนี้ชุนลมุนและร้องอย่างจะปวดตกใจของข้อเสสารรอบด้านที่ทโดนระเบิดประกายไฟยสว่างแว บ, บลูกแดงจ้าทุกคนถอยขึ้นหน้าผาเร็เร็วที่สุดทิ้งที่มัน่นตะโกนเต็มเสียงริส like ิสเบลเชิญวุฒและคิดจึงวิ่งกรนพลูมาที่เต้นคว้าได้เป้หลังคนระบายไม่คํานึ่งก็จะเป็นของใครสุดแตจะช่วยได้ออกวิ่งตามบุญคาไปในทันทีโดยมีแซนลี่ยืนกําระเบิดคอยต้อนระวังหลังอยู่จันทร์ก็ตะโกนบอกไปทางพวกลูกหาทั้งหลายที่กําลังจ่าระวันกันอยู่สั่งให้ถอยเชก่อกันพวกนั้นก็ ไ, ได้สัญญาณให้ถอยต่างก็วิ่งกันยังไม่คิดชีวิตเกิดเสยและจานพร้อมทั้งสเตนลี่เป็นชุดสุดท้ายที่คอยยิงประทานวลเงียวไว้ทีกคําปะเดียวพวกทัานถอยช่วยยิงคุ้มกันลงมาด้วยการตะโกนเอ็ดอึ้งขึ้นไปในขณะที่ประทับไรฟลอยู่ครมโครเป็นจังหวะตุดแต่จะเห็นตัวไหนก็ไล้เข้ามากองทัพช้างตายเป็นเบือก็จริงแต่ที่มั่นของมนุษย์ทําท่าจะแหลกแน่นอนแล้วเออกูจะช่วยยิงอยู่บนนี้พวกมึงถอยได้แล้วพักในห้างบ๊อบขึ้นมาด้วยตะคำขึ้นไปหยุดหอแพ่แหกอยู่บนตะต น, น, น, ต น, น, นคน เลยร้องเรงให้ขึ้นสูงขึ้นไปสู่ถ้ำที่ทพวกรเกลียมตะเคียนทองจุดใต้โบกอยู่ไปมาเป็นเครื่องหมายสองทางอยู่แล้วทุกคนเนลยแทบขาดใจเสื้อเสื้อผ้าขาลุ่งริ่งทะเลปอกเบิดเปิงไ ป, ป, ป, ป, ป, ปตามๆกันที่ซิน่ากระสุนหมดสิ้นลงแล้วทั้ง magazine, อสองม็กซ์กระสุนเอเบลเลอร์ยอีกแม็กหนึ่งกระสุนอย่างมากก็ไม่เกินสนะิบห้นัดที่นั่นเหลือเฉพาะที่ติดตัวยอยู่แค่สามนัดส่วนโชดวุดเกลี้ยงชาดมีแต่ะกะลูกระเบิดมือแบบทำลายที่มั่นอยู่3มลูกติดอยู่ในย่ามหลังลังกระสุนนนนส่่วใหญั้คณะพ ได้ลำเลียงขึ้นไปเก็บไว้บนถ้าก่อนแล้วหรือไว้เฉพาะเท่าที่จําเป็นจะต้องใช้เท่านั้นแต่คาดไม่ถึงว่าจะต้องยิงกันชนิดลํากล้องร้อนจนจับไม่ได้ดังเช่นขณะนี้พราส่วนใหญ่ตายขึ้นหน้าผาตามทิศทางที่เราพินกําหนดไว้ให้และบุญคําไปผู้นําในขณะนี้ครบหมดสิ้นแล้วกองทัพของไอ้งาดําที่มีไอ้ผีดิบปัชชาแตกนั่งคร่อมมาบนคอก็เหยียบเข้ามาถึงอนาบริเวณปางพักการวิ่งมาพลักหลังให้แสตลีย์ผ่าออกและแล่นได้แล้วตัวเองกลับเสยและเกิดพอยิงปะทะไว้คนละนัดตอจากนั้นก็แล่นยังไม่คิิิดดดดชชีีีีววววตตโยมมขลลงงง้้้าาาทท่่่่ใกกสุัเ ระยะไม่ห่างนักโดยไม่นับอีกจํานวนหลายสิบที่กาลังดุมดุมพวมาเต็มปาเก้าเหยียบพักพวกของมันลมนและเนรนาเป็นนับสิบสิบตัวปรีก็มาอย่างไม่ลดระยะให้ระย่อนระยอต่อลูกปืนคีดเชิวดวุฒอิสเบลยืนรออยู่ตรงตะพักแรกที่บุนคาคุมเชิงอยู่ส่วนคริสนั้นลงนั่งหอบทําอะไรไม่ถูกและพวกนั้นช่วยกันฉายไฟให้ไปข้างล่างสองทางให้พักพวกและตรวจการเตรียมช่วยเหลืออสิสเบลและนายคีดประทับยิงไล่สกัดลงไปอย่างระมัดระวังเปิดทางให้พวกที่เหลือตะกายกันขึ้นมาผลลัพสุดท้ายก็คือจันช่วอห่่าากทีลลืข้งง ปะกายขึ้นมาสู่ที่สูงได้หมดขณะที่แคมป์ถูกเยียบแหลกที่น่าทำกลางเสียงแผดร้องแส้สนั่นของโขงไอ้ช้างปีศาจที่พากันมาจับกลุ่มชุมนุมกันอยู่บริเวณที่ตั้งแคมป์เดิมเต็มไปหมดเสียงร้องประสานของมันเปน็นถึงเสียงโหประกาศถึงความมีชัยที่มีช่นนั้นก็ท้าให้มนุษย์ลงไปประจัญหน้ากับมันอีกก็เห็นว่าจำนวนสุดท้ายไต่ขึ้นมาถึงบริเวณปลอดภัยผสมควรแล้วเชิด ว, วุดกับคิดก็ดึงสลักระเบิดมือออกรอแม่มันด้วยไอ้นี่เลยมะยีดหนึ่งสองสามแล้วทั้งสองก็คว้าระเบิดลงไป ทั้งสองก็คว้างระเบิดลงไปข้างล่างกลางแคมป์อันเป็นที่ชุมนุมของโขงช่างทันทีเสียงระเบิดดังส น, นั่นจนแผ่นดินสะเทือนพร้อมกับปลากายไฟลแลบจ้าพวกมันแตกแระใจแ่นกระเจิงไปเฉพาะพวกที่โดนสะเก็ดและตกใจเสียงระเบิดที่หล่นใกล้ๆไอ้พวกที่ยังอยู่ห่างออกไปก็หนุนเนื่องเข้ามาแทนพวกมันบ้าเลดซี่ยิ่งกับไฟมนุษย์อีกและจะทําลายแหลกไม่ให้มีเหลือแม้แต่ชีวิตเดียวถ้านี้ไม่ทันโดยไม่คํานึงถึงว่าพวกมันจะต้องสูญเสียลม้มตายไปเท่าใดไอ้ผีดิบไลตนที่นั่งค่อมอยู่บนคอช้างในระยะที่บุกเข้ามานนั้ ปูกระสุอาคามของบุญคํำเด็นหายไปในความมืดไม่ต่างกับเจ็ดแปดซากแต่บัดนี้ยามที่ไฟข้างบนส่องไฟใช้ลงไปกลางโถงก็ ย, ยังเห็นอีกนับสิททบสท์ที่ยังนันบ ท, ที่มเด่นเป็นสง่าอยู่บนคอและช้างที่มันนั่งบรงคับอยู่หลานั้นก็เดินปรีเข้ามายังริมเนินทางราดชันมีอาการประหนึ่งเหมือนขุนศึกบนคอช้างที่ใสช้างเข้ามาแงเงยดูศัตรูผู้แตกพ่ายจนไปอยู่บนหน้าผาพวกมันพากันชี้มือประดุดตีนแรงขึ้นมายังกลุ่มมนุษย์อย่างประสงคมไาย และไม่มีท่าว่าจะสงบสึกนอกจากจะตามพคฆาตกันให้ถึงที่แต่ที่น่าสยองคนที่สุดก็คือไอ้ที่กำลังเดินอยู่บนพื้นและปีนไปช้าๆตามขึ้นมาก็มีช้างปีนขึ้นมาไม่ได้จะพวกมันปีนขึ้นมาได้จะต้อนพวกในห้างขึ้นไปข้างบนไอ้จานไอ้เกิดไอ้เซยสกัดไอ้ผีนรกที่กําลังตตามขึ้นมานั่นตามขึ้นมาเท่าไหรตอกลงไปให้หมดคุณทาสั่งการกับลูกน้องทุดหลังที่เพิ่งจะตะเกียกตะกายขึ้นมาถึงตัวเองก็หันไปโบกมือไล่พวกนายจ้างร้องบอกมาตามภาษาแกว่าโกโกโก้นนไปเเรวจ้้าายอ๊อบ การกายก็ไต่ขึ้นไปที่แหม่มเบลที่เกาะแง่หินเขาหน้าเช็ดเหนือกับแขนเสื้ออยู่เคียงข้างคริสตอให้อากาศในขณะนี้หนาวเยือกซะขนาดใดก็ตามความรู้สึกของทุกคนมันตกอยู่ในเตานรกเขาผ่านเชิดวุฒิทหารหนุ่มก็คว้าแขนไว้ลุงคําลูกปืนฉันหมดขอมั่งองไอ้คําก็หมดเหมือนกันแต่เดียวจะเอาปืนกระบอกที่แห ม, มเบลถือนั่นให้คงจะมีกระสุนติดแน็อยู่นั่งมั่งหรอกในทหารอาปืนกระบอกนั้นตอบมันไอผีที่มันกําลังไต่คาเราขึ้นมาอย่าใช้กระบอกอื่นมันไม่ได้ผลหรอกแต่พลานเท่าจําได้เป็นอย่างดีว่า ดันเป็นคนเอาเอ็ม16กระบอกที่2ซึ่งกระสุนได้ผ่านเข้าวิธีกรรมของแกวไว้แล้วมอบให้แม่ผมแดงใช้ยิงปะทะและ้วเชื่อว่าเบลคงจะยิงยังไม่หมดตรงข้ามกับคริสซึ่งยิงมากกว่าทุกคนเรียงฉากไปแล้วทั้งสองแม่6กนัดพอถึงตัวแกก็ถวยแยง่งจากมือของหมอเบลแม่มเอาปืนกระบอกนี้ไปให้นายทหารตัวแหม่มเองมีสปายอยู่กระบอกหนึ่งนะอย่าช้าปืนปีนขึ้นไปให้สูงไปอีกน่น แสงใต้พวกไอโบเมียจุดสงโบเป็นสัญญาณอยู่โน่นไปรวมกับพวกมันก่อนแม่ผมแดงส่งปืนให้บุญธําโดยดีแล่วแกก็หันมายัดเยียดให้เชิดวุฒแล้วก็ต้อนคุมนายจ้างทั้งหมดรวมทั้งพวกลูกหาบซึ่งพวกนั้นแทบไม่ต้องเตือนอะไรกันมากพอสั่งให้ถอยเท่านั้นก็พลูล่วงหน้าปีนฝายเป็นลิงขึ้นไปก่อนแล้วแดนลี่ในฐานะหัวหน้าคณะดูมันจะเข้าใจสถานการณ์ได้ดีที่สุดเขาสั่งให้พัพวกทุกคนไต่สูงต่อขึ้นไปตามคำสั่งของบุญคําทันทีโดยมีตัวตาผานเท่าคุมอยู่ด้านหน้าง ทรงเสียงคอยเล่งเล้าไม่ขาดปาอูทากะพะโต้พูดล่วงหน้านไปก่อนใครตะโกนบอกทิศทางอยู่ v o k e v พร้อมทั้งแกว่งใต้เป็นสัญญาณเพื่อชี้นําให้รู้ว่าควรจะไต่มาทางด้านไหนจึงสะดวกวุดอยู่ไหนทําไมไม่ขึ้นมาด้วยคริสติน่ามองไปยังบรรดาพักพวกที่ไต่กันขึ้นไปเป็นทิวแถวและนับจํานวนอย่างรอบคอบร้องขึ้นเสียงนายทหารหนุ่มร้องบอกจากตะพัก ด, ด้านล่างว่าผมยังอยู่นี่คริสไม่ต้องห่วงประเดี๋ยวจะตามขึ้นไปเองขอฟาดกับมันอีกพัก ผมได้ปืนจากเบลแล้วคริสเบลและคิสเริ่มจะลีหล่อลังเลด้วยความเป็นห่วงแต่สแตนลียไว้ดีกว่าทุกคนในคณะและเชื่อแน่ว่าถ้าหากเชิดวุธอยู่ท่ามกลางพานพื้นเมืองของรพิน <c oughs> ก็คงไม่มีอะไรจะต้องห่วงจึงสั่งว่าเชียบค่ะทำตามที่เขาบอกไม่ต้องรอพวกเราขึ้นไปก่อนหยุดการใช้ระเบิดมือได้แล้ว <c oughs> บัดนี้บนหน้าผาชั้นแรกซึ่งสูงกว่าระดับพื้นเนินล่างสุดขึ้นไปประมาณ20หลา จึงมีเพียงจัน์เสรยเกิดและเชิดวุฒิสามคนเท่านั้นที่ยืนระวังคุมเชิงปากหลักอยู่ทุกคนมีไฟฉายครบมือและฉายกระดาษซองตรวจลงไปเบื้องล่างบริเวณแคมป์ไม่ต้องพูดถึงมืดมิดแน่นขนาดไปหมดแล้วด้วยโคจสารนับร้อยเต็มพื้นที่ไปหมดแต่ละตัวส่งเสียงประสานกันกึน ก, กก้องปานว่ะขุนเขารอบด้านจะถล่มทลายชูงวงสลอนดังจะท้าทายวะท่านแน่จริง พวกเอ่งมนุษย์ทั้งหลายเพ่นหนีขึ้นไปทำไมลงมาประจันหน้ากันให้เห็นด ำ, ดำเห็นแดงหน่อยไปไรเพราะพวกมันไม่อาจจะไต่ตามขึ้นมาได้บริเวณแคมป์สิ่งปโปรกสร้างสัพ์สิ่งที่หลงพลาดเหลืออยู่โดยใครช่วยติดมือขึ้นมาไม่ได้บัดนี้ถูกเยียบกระทืบพินาศแหลกเหลวแม้แต่กองไฟพวกมันก็ยังรื้อฟื้นออกหมดอันผิดนิสัยสัตว์ป่าทั่วไปกองทัพช้างไม่สำคัญเสียแล้วเพราะถึงอย่างไรมันก็ตามขึ้นมาไม่ได้ แม้ว่าจะยึดพื้นที่ไว้ได้ทั้งหมดอย่างผู้มีชัยแต่ไอาที่นั่งประจําบนคอช้างบางตัวเหมือนแม่ทับนายกองและไอาที่ลงจากหลังช้างและกําลังปีนไปกระดึบตามขึ้นมายัางไม่ลดละนั่นสิเป็นสิ่งน่าคิดมากแต่ละตัวของพวกมันไม่ทราบว่าโผล่มาจากคุมนรกไหนรูปร่างหน้าตาไล้เคียงกันทั้งนั้นโชิดวุฒิอาจไม่เข้าใจอะไรนอ ก, นอกจากความตื่นเต้นเพราะคนอกสันแขว น, ขว น, ขนแต่เกิดเสยและจันท์ ที่ยืนคุมเชิงคอยระวังเป็นทับหลังอยู่ขณะ น, นี้เข้าใจได้ดีที่สุดเพราะเคยประจันหน้าชนิดถึงตัวกันมาแล้วสมัยที่บุกผ่านนิทรานครของพระนางพันธุ์ทุมบดีไม่ต้องไปยิงช้างให้เสียเวลาอีกแล้วนายทหารคอยนายทหารคอยต่อไอ้ผีหาที่มันไต่ตามเราขึ้นมานั่นดีกว่าจาันบอกพร้อมทั้งฉายไฟไปยังใบหน้าอันนาเกลียดที่กําลังเกาะแง่หินกระดึบกระดึบเข้ามาใกล้ใกล้ที่สุดเป็นตนแรกนอกเหนือจากอีกเจ็ดปดตัว ที่กำลังทยอยตามหลังขึ้นมาเป็นลำดับด้านโน้นบ้างด้านนี้บ้างเชิดบุตรก็คนจริงและทันต่อเหตุการณ์ดีเหมือนกันพวกพรานของระพินทุกคนย่อมเรียบเสมือนพี่เลี้ยงของเขาสั่งอะไรเขาก็ทําทันทีในภาวะวิกฤตเช่นนี้ในพันตรีนุ่มประทับ M16 กระบอกที่จันท์เคยมอบส่งให้เบลและไปเอาคืนมาได้ยกยกขึ้นทันทีตั้งสวิตช์ยิงกึ่งอัตโนมัติแล้วเล็งไปยังศีรษะที่กําลังคืบคลานตามขึ้นมาอย่างช้าชานั้นโดยเกิดเป็นคนส่องไฟให้ ปังไม่คิดอะไรกับมนุษย์ธรรมดาสามัญที่โดนปืนอย่างจังในระยะที่ไม่ห่างเกินไปนะไอ้ร่างนั้นง่ายพึงมือหลุดจากแง่หินและโคลนไม้เล็กๆที่มันกําลังไต่ขึ้นไหลรูดลงไปทันทีอย่างศักดิ์สิทธิ์ยิ่งด้วยอํานาจกระสุนล้างอาถรรพ์คลุกยันอีเปอรของตาเท่าบุญรำซึ่งทําไว้ก่อนแล้วและยังพอเหลือติดอยู่ในแม็กกาซีนปืนเกิดเสยและจันทรร้องเชียร์ย่างยินดี พวกนี้มีแต่กระสุนจุดขนาดหนักทั้งสิ้นและไม่คิดที่จะหมดเปลืองกระสุนที่ควรสงวนไว้ย้ำจําเป็นอีกต่อไปคงทําหน้าที่ส่องไฟฉายให้เชิดบุตทีละตัวพร้อมทั้งช่วยกันชี้บอกให้ยิงกาลังใจของเชิดบุตรก็กลับขึ้นมาในบัดนั้นเขายิ้มแยกเคี้ยวบอกเสียงคํารามส่องไฟให้ถนัดฉันจะเช่งกระ บ, บานมันเองตัวละนัดทีเดียวตัวซ้ายนั่นนายทหารเปิดบอกโดยเร็วแกว่งไฟให้เห็นบู้บู้เป็นสัญญาณเตือนให้ยิงเป็นตัวถัดไป ไอ้พวกนลกแตกพวกมึงแหกันมาจากไหนวะโชดวุฒิพูดบนกับตัวเองแล้วเล็งกระดิกกายออกไปอย่างเป้าหมายที่ไม่ต่ําลงไปนะอย่างบรรจงทุกปังหมายถึงถ้าไม่พะงะหลุดพึงลงไปทั้งตัวก็จะฟุบแล้วครูดลงไปตามแนวเนินผาอันสูงชันเกือบจะเป็นเก้าสิบองศานั้นเขาเลือกยิงไปทีละตัวอย่างดุเดือดเขียดแค้นแต่ก็เล็งอย่างประณีดไม่ด่วนพลีผลทาให้กระสุนผิดพลาดไปโดยใช่ที่ ในขณะที่พักพวกส่วนใหญ่ตายขึ้นไปจู่พระองค์ถ้ำใหญ่อันเป็นตำแหน่งปลอดภัยที่บุญคําเลือกชัยภูมิไว้ล่วงหน้าแล้วโดยคําสั่งของรพินเมื่อตอนหัวค่าอีกไม่กี่ปังเท่านั้นที่เชิดวุฒิเลือกยิงเอาอย่างสบายบนที่อันสูงชันกว่าตาของไอ้ผีดิบกรุแตกที่พยายามจะสําแดงลิศตายตามขึ้นมาก็หลุดกระเด็นหายตกลงไปหมดไม่เหลือให้เห็นเป็นเสนียษลูกในตาและคอยพว้าผวาหวังว่ามันจะตายตามขึ้นมาอีกและวิ ญ, ญญาณร้ายใดก็ตามที่ลงอาศัย สิงสู่บงการซากมัมมี่อันปราศจากวิญญาณมาแล้วนับการเวลาไม่ถูกก็คงได้ตระหนักดีแล้วว่ายังมีสิ่งที่จะยับยั้งสกัดกั้นเกรตยามนกาลีของมันได้อยู่เหมือนกันเชิดวุฒิไม่หนำใจดึงระเบิดมือแบบทําลายบังเกอร์ออกมาอีกขยับจะถอดสลักเพื่อคว่างลไปยังกลางโครงช้างด้านล่างที่เห็นเต็มไปหมดจะเกิดช่วยเข้ามือไว้ทานไม่มีประโยชน์แล้วนายทหารถานอมเครื่องมือเครื่องใช้เราไว้ยําจําเป็นดีกว่า ตอนนี้พวกเราทุกคนก็ปลอดภัยแล้วมันจะมาล้อมอยู่ข้างล่างนั่นก็ให้มันล้อมบัไม่ทันตะวันขึ้นก็คงไปกันเองและขึ้นไปรวมกับพวกเราบนโน้นเถอะนายทหารหนุ่มสะบทพึมและยอมปฏิบัติตามจันทร์ก็ก้องปากูตะโกนบอกขึ้นไปว่าอู้พี่คำพวกฉันจะตามขึ้นไปแล้วนะทางนี้เรียบร้อยแล้วฉายไฟสองทางลงมาให้ด้วยแล้วอย่าให้ใครยิงลงมาเออขึ้นมาได้ไอ้จันทร์เรียงตะท่าบุญคำลูกพี่ร้องตอบมา ไปนายทหารปีนต่อไปได้และส่งปืนกระบอกนั้นมาให้จันทรถือให้ก็ได้ของนายทหารเองก็หนักอยู่แล้วเชิดวุตรเขาห้ามไกายแล้วส่งปืนกระบอกนั้นพื้นไปให้จันพร้อมทั้งไต่ทางขึ้นไปทันทีโดยมีจันทร์เกิดและเสรยคอยเป็นพี่เลี้ยงตามอยู่ด้านล่างระวังไม่ให้เชิดวุตรหลุดพลาดกริ้งร่วงไปข้างล่างซึ่งถ้าไม่ตายพระตกหน้าผาก็ลงไปสู่บาถาคตสารนับร้อยที่ประชุมพลกันอยู่พวกข้างบนก็ช่วยกันส่องไฟฉายไม่ตํากว่าสองสําดวง เป็นลำเขียวจ้าลงมาเป็นเครื่องชี้ทางให้ในเวิงโพรงถ้ำขนาดกว้างขวางพอสมควรตำแหน่งที่ราพินให้พวกพรานพื้นเมืองทั้งหลายช่วยกันขนลำเลียงข้าวของเครื่องใช้จําเป็นล่วงหน้าขึ้นมาเก็บรักษาไว้ก่อนเมื่อตอนหัวค่ําคือสถานที่หลบภัยของทุกคนในขณะนี้สเตนลี่นั้นเมื่อขึ้นมาถึงครั้งแรกก็คอยตรวจนับจํานวนคนเห็นอุทาพาโตและพรานพื้นเมืองทั้งแปดคนของฝ่ายตนอยู่ครบหน้าไม่มีใครขาดหายไปเลย อาวุธพวกนั้นก็ยังติดมือครบไม่มีใครทำหลุดหายไปก็เต็มไปด้วยความพอใจยินดียิ่งคริสเดลและคีตนั่งฉายไยคอยส่องทางให้พักพวกที่ตามมาในละลอกหลังพอเห็นเชิดวุฒจันท์เกิดและเสรยขึ้นมาครบจํานวนอีก4คนทั้งหมดก็ถอนใจออกมาได้อย่างโลง่งครบจํานวน19คนที่อยู่ภายในแคมป์เบื้องล่างขณะที่โขงช้างบุกเข้าราวีพอดีถ้าจะขาดหายไปก็เพียงคนเดียวเท่านั้นคือจอมพรานรับพินไพรวัน ซึ่งศูนหายไม่ได้ร่องรอยไปก่อนที่ทัพช้างจะบุกเข้ามาแล้วกระรียงโบเมียนายบ้านตะเคียนทองและชายชะกันอีกสองสาคนตาจากโพรงถ้าทัดไปโผล่ขึ้นมาเยี่ยมสมทบและส่งเสียงถามแทรถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพวกนั้นช่วยจุดใต้เป็นสัญญาณให้เห็นอยู่ก่อนแล้วบนบริเวณหน้าผาทันทีที่ได้ยินเสียงปืนนัดแรกระเบิดขึ้นโชคดีเหลือเกินโชคดีจริงๆที่เรพินไหวทันสั่งให้เราขนสัมภาระสําคัญขึ้นมาหลบซ่อนไว้บนนิเสเซก่อน ทำไมงั้นคนปี้หมดไม่มีอะไรเหลือเลยัวหน้าคณะพูดออกมาด้วยน้ำเสียงกระหืดกระหอบที่ยังไม่หายตื่นเต้นเขารู้ตัวล่วงหน้าก่อนแล้วว่ามันจะต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแต่ตัวเขาเองตอนนี้ไปอยู่เสียที่ไหนคริสติน่าผู้นั่งกุมขมับอยู่บนแง่โขดหินริมปากเวงทําร้องออกมาเบาๆพุกคนที่กาลังพูดกันจอแจจอกแจ๊กอยู่ในขณะนี้ก็งเงียบรงทันทีเบื้องล่างคงแซดนั้นไปด้วยเสียงช้างนับร้อย ส่งเสียงเหมือนจะโหร้องเอาชัยอยู่กลุ่มลูกหา8คนรวมทั้งอุทาภิโตและกะเรียงโบเมียกับพวกที่มาสมทบนั่งประชุมกันอยู่ในซอกมุมหนึ่งพราณ์ี่คนของรพินก็นั่งกอดเขากันอยู่หน้าปากถ้าส่วนฝ่ายนายจ้างเดินกันพ่านภายในเวิ้งถ้ากว้างขวางพอประมาณนั้นสว่างพรอมแพรมได้แสงใต้ที่พวกเกเรียงคอยพวกเกเรียงดอยเจ้าของสถานที่ปักไว้ตามซอกหินสแตนลีย์สีหน้าเต็มไปด้วยริ้วรอยทุกคนอยู่ในสภาพอันมาลอกมาแลกทุลักทุเลแทบจะเอาชีวิตไม่อรอด นิ่งเงันกันในภาวะต่างๆกันคิดตรงเข้าหาหลังเครื่องดื่มงัดขวดพลาสติกขวดใหญ่ที่บรรจุบัานดีออกมาสัดเ็ตเต็มเหยียดและสะบัดหน้าอยู่เร่าเร้าเหมือนจะให้แน่ใจว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ไม่ใช่หลับฝันไปอิตซาเบลกางเกงและเสื้อแสงขาดร่งริ่งจนเห็นผิวเนื้อทะลุปปโปร่งเข้าไปถึงไหนต่อไหนแต่ขณะนี้เจ้าตัวเองและผู้ร่วมสถานการณ์ไม่มีใครจะสนใจคริสนั้นอาการเหมือนจะจับไข้ทั้งๆั้งที่เหงื่อชุ่มกายก็ยังสั่นเทา โชตบุดเขี้ยวหมาฝรั่งบดเย็บเย็บ อ, บอยู่ในกลามพร้อมทั้งลากหีบกระสุนอันเป็นคลางกลางออกมาจากกองสัมภาระอย่างเตรียมพร้อมที่จะทําศึกต่อถ้าจําเป็นอจจใยต่อมานั่นเองอเมริกันอวโสุผู้เป็นหัวหน้าคณะของคนทั้งหมดก็ชูมือขึ้นดีแรงๆทุกคนหันขวับมามองเขาก็พยักหน้าเรียกพักพวกและพรานพื้นเมืองมือดีของระพินทั้ง4คนที่แยก ย, ย้ายก่อเอกกันอยู่มุมต่างๆให้เข้ามานั่งประชุมรวมหัวขณะนั้นจากนาฬิกาข้อมือของไฟในจ้างชี้บอก 03.45 ์สามหนตอนนี้ฝ่ายเราทั้ง19ชีวิตรอดปลอดภัยกันหมดทุกคนแล้วเป็นการแตกผ้า ย, ยับเยินถอยขึ้นมาหลบอยู่บนหน้าผานี่ข้าวของที่แลกย่อยยับไปข้างล่างไม่ต้องคํานึงถึงเพราะมันไม่ใช่ของสําคัญอะไรไอ้ศัตรูหรือกลับที่เป็นกองทัพช้างก็ยังล้อมยึดพื้นที่ข้างล่างอยู่ปล่อยมันก่อนมาหารือกันทึ่เรื่องมกุเทศนําทางคนสําคัญของเราเถอะตอนนี้ใครมีความคิดอย่างไรบ้างก็ เ, เป็นตายร้ายดีอยู่ตรงไหน อาจแหลกละเอียดไปก่อนในคนแรกแล้วก็ได้ก่อนที่ไอพีนอะลกแลก้วกองทัพช้างจะบุกเข้ามาถึงตัวเราเพราะถ้าเขายังอยู่สถานาการณ์เช่นนี้มันก็จะไม่เกิดขึ้นหรือถ้าเกิดขึ้นเขาจะต้องเป็นฝ่ายรู้ตัวก่อนและมาเตือนเราทันแต่นี่ไม่มีวี่แววร่องรอยอะไรของเขาเลย <c oughs> คิดพูดแผ่วต่ำเป็นความรู้สึกวิตกส่วนตัวอย่างแท้จริงมากกว่าที่จะคิดสาบแช่งใดๆทั้งสิ้น <c oughs> สาหรับฉันคิดแต่เพียงว่า มันจะต้องเกิดสิ่งผิดปกติขึ้นแน่ๆสําหรับเขาคนนั้นจะไม่คิดไกลไปถึงว่าคนอย่างเขาจะถึงแต่ชีวิตไปแล้วอิตเซลกล่าวอย่างหนักแน่นมั่นใจในห้างถ้าจะปรึกษากันให้พวกของบุญคํารู้เรื่องม้างก็พูดไทยอย่าพูดฝรั่งตะเ่าบุญคําโข่งขึ้นดังๆเพราะพวกของแกก็เข้ามานั่งกอดเขาประชุมอยู่ด้วยอ้อขอโทษทีบุญคําเวลาฉันตกใจฉันพูดไทยไม่ค่อยจะออกต่อไปนี้เราจะพูดกันในภาษาที่ฝ่ายบุญคําเข้าใจ บุญคำหรือเพื่อของบุญคำสนิษฐานได้ไหมว่าตอนนี้นายของบุญคำอยู่ไหนเขายังมีชีวิตอยู่หรือตายแล้วสเตนลี่หันไปตบปลายแอนบอบบางแต่แข็งแรงของแ ก, นกหนักๆพร้อมทั้งถามด้วยน้ําเสียงจริงจังบุญคำกรอกหน้ายังไม่อาจจะพูดอะไรออกมาได้ในขณะนั้นจันเกิดและเสยก็พากันนิ่งงินไปหมดผมมีความเชื่ออะไรอยู่อย่างหนึ่งนะดรแสเตนลี่ผู้พู ด, พ ด, พดแทนที่จะเป็นบุญคำกลับกลายเป็นโชดวู๊ตไป คนยังระพินยากมากที่จะเกิดอันตรายใดๆขึ้นจากภัยของป่ายกเว้นอย่างเดียวภัยจากโรคภัยไข้เจ็บประจําตัวของเขาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วทางนั้นเดี๋ยวนี้เขาอยู่ไหนในขณะที่เราทำศึกกับไอ้โครงช้างผีนั่นยิ่งกว่าสมัยทำศึกกับพวกเวียดกงซะอีกเดี๋ยวว่าจะเสียงปืนเลยขนาดระเบิดมือก็หลายลูกที่เวียงลงไปเสียงดังได้ยินไปไกลหลายลูกเขาทีเดียวอิสเบลถามมามันจะต้องมีอะไรสักอย่างที่จะมาเป็นอุปสรรคสกัดกั้นเขาไว้ซึ่งเรายังไม่ทราบขณะนี้วะ่ะ มันเกิดอะไรขึ้นอะไรทําให้เราพินสูญหายไปจากแคมป์ในระหว่างเราประท่ากับโขงช้างแล้วตะเลดเปิดเบิงหนีขึ้นมาแทาจะเอาชีวิตไม่รอดถ้าเราพินอยู่กับเราเสียอย่างเดียวผมแน่ใจว่าเราจะไม่แตกยับเยินทิ้งเสีย ง, งนี้หรือมิฉะนั้นพวกมันก็อาจไม่กล้าบุกเข้ามาได้เลยนายทหารผู้ถูกแล้วแต่ธาพานเท่ากล่าวเบาต่ําสีหน้าครุ่นคิดหนักแกเป็นห่วงเจ้านายอยู่ไม่น้อยแต่ก็ไม่ถึงขนาดพวกในจ้างทุกคนที่ตกอยู่ในภาวะกระสับกระส่ายเต็มที่ ท่านาอยู่ใกล้เคียงบริเวณปางพักเสี้ยอย่างเดี่ยก็จะไม่มีอะไรย่างกลายเข้ามาได้หรอกบุญคำกลัวว่าแกจะแอบไปดูลาดเราอะไรแล้วก็ออกห่างปางพักเราไปมากๆแล้วไอ้พวกจันไรนั้นก็ช่วยโอกาสเข้าเร่งงานเราโดยแกยังย้อนกลับมาร่วมกับพวกเราไม่ทันเรื่องที่ว่าแกจะเป็นอันตรายถึงชีวิตไม่ว่าจากช้างหรือจากทีดิบพวกนั้นโดยตรงบุญคําไม่เชื่อสแตนดี้เริ่มการสอบสวนทันทีโดยตั้งคําถามรวมๆกับทุกคนว่ามีใครเห็นระพินครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่และเขาอยู่ตรงไหน บุญทำให้คําตอบว่าเราพินไพรวันออกไปนอนดักอยู่นอกอนาเขตแคมป์บนทางด่านตําแหน่งที่นําลงไปยังลําธารด้านล่างคนเดียวมืดๆไม่ได้ก่อไฟอัดาบริหารของเขาก็มีเพียงแค่เป้หลังไรเฟิลประจํามือและกระสอบปูนอนเท่านั้นแกเล่าไปตามจริงว่าแกได้ออกไปยืนพูดกับพรานใหญ่อยู่ตรงแท่นหินตําแหน่งนั้นและขอจะนอนเป็นเพื่อนด้วยแต่นายสั่งให้บุญคากลับเข้ามาในเขตกองไฟและฝากให้ดูแลบริเวณภายในทั้งหมดไว้ บุญคำก็ต้องต้องทำตามคําสั่งในแหม่มคริสก่อนจะเข้านอนก็มาเดินถามหาตัวพรานใหญ่บุญคำยังชี้ตําแหน่งที่พลานใหญ่ไปนอนอยู่และห้ามไม่ให้แม่มออกไปประโยคหลังแกบอกคริสพยักหน้ารับเป็นความจริงตามที่บุญคำบอกค่ะอาจารย์ฉันเพิ่งทราบข่าวตอนก่อนจะเข้านอนขณะที่ออกเดินสํารวจบริเวณแคมป์วะแลพินออกไปนอนดักอยู่นอกเขตที่พักอันก่อกองไฟของเราบนเส้นทางดานลาด ที่จะนําไปสู่ลาธารข้างล่างนั่นน่ะหรือค่ะระยะห่างจากกองไฟรอบนอกสุดที่ก่อไว้ทางด้านนั้นประมาณสักเท่าไหรก็เห็นจะไม่เกินสามสิบล้ากระมังพอจะตะโกนกันได้ยินแต่ฉันไม่ได้ตะโกนพูดอะไรกับเขาขณะนั้นรู้สึกว่าเขาคงจะนอนพักและรับเหลี่ยมหินอยู่มองไม่เห็นกันฉันยังทวงบุญคําว่าทําไมถึงปล่อยเขาไปนอนคนเดียวตรงนั้นบุญคําก็ว่ามันเป็นธรรมชาติและวิธีการที่เขาปฏิบัติอยู่เป็นประจำหากว่าจะมีสัญญาณอันตรายใดๆเกิดขึ้นกับาาคณะพักในความรับผิดชอบของเขา เวลาพักแกรมกลางป่าทุกครั้งซึ่งฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทาไมเขาจึงจะต้องปฏิบัติเช่นนั้นแต่ก็ไม่อาจจะทักท้วงใดๆได้ไดเพราะพรานลูกน้องของเขาจะต้องรู้นิสัยรู้ฝีมือของเจ้านายดีอยู่ก่อนแล้วแต่ขณะนั้นฉันรู้สึกว่าฉันไม่สบายใจน ะ, จะเคยเป็นหัวหน้าเวียนยามในช่วงแรกรายงานว่าทุกสิ่งทุกอย่างปกติเรียบร้อยและไม่เห็นวีแววอะไรของเจ้านายก็เข้าใจว่าคงจะต้องนอนรับอยู่ตรงตําแหน่งนั้นนานๆครั้งก็ฉายไฟส่องไปยังด้านนั้นเสียที มองไม่เห็นอะไรผิดปกติไม่เห็นระพินลุกขึ้นมาปรากฏให้เห็นเข้าใจว่าคงหลับเกิดเป็นยามพากดึกหลังเที่ยงคืนไปแล้วเมื่อหมดกำหนดเวลาของตนก็ปลกุกจันให้ขึ้นมารับเบนต่อจันก็เล่าว่าได้เริ่มให้ความสนใจไปยังตำแหน่งพักนอนของเจ้านายและสอบถามการเคลื่อนไหวใดๆของระพินโดยถามเกิดเช่นกันจะเกิดก็บอกว่าปกติาราบคาไม่ได้มีวี่แววอะไรจันแปลกใจฉายไฟและทดลองเป่าใบไม้แห้งเป็นสัญญาณเรียก ซึ่งตามปกติแล้วควรจะได้รับสัญญาณตอบรับจากนายจ้างบ้างแต่ต้องเงียบเป็นที่ผิดสังเกตจึงตัดสินใจจะก้าออกนอกบริเวณตรงเข้าไปดูแต่ก็ต้องชะ ง, งักก่อนเพราะพรานลูกพี่คือบุญคำตื่นขึ้นมายังกระทันหันร้องห้ามไว้โดยถือคำสั่งของพรานใหญ่ไม่ให้ล้ำออกนอกเขตต่างคนต่างปรึกษากันแล้วก็ชะงนอยู่ที่ไม่พบวีแววกะโตกะตาใดๆของรอบับผิดที่ออกไปนอนอยู่ข้างนอกบริเวณเลยจันกับพี่คำเลยชวนกันออกเดินตรวจรอบๆ บ, บ, บริเวณปางพักเห็นทุกอย่างก็เรียบร้อยดี พากระจมพักในห้างทั้งหลายก็หลับกันสนิททุกคนหลังจากนั้นก็มานั่งคุยกันอยู่ที่กองไฟด้านที่จะลงไปทางลำธาร น, นั่นแหละจนกระทั่งได้ยินเสียงปืนและเสียงร้องของแหม่มดังมาจากกระโจมพักข้อความรายละเอียดมันก็มาสิ้นสุดมันจบกันพอดีกับเหตุการณ์ตอนที่คริสติน่าตื่นขึ้นอย่างบังเอิญและเห็นไอ้ผีดิบที่ขาดครึ่งท่อนโผล่กระโจมทางด้านปลายเทา้าครานถ้ามักัดนับปลายเท้าสวมบูทของหล่อนเหตุการณ์ภ า, ายหลังนั้นแน่ละทุกคนตื่นขึ้นมาประเทชินกับตาตัวเองกันทั้งนั้น จะเป็นไปได้ไหมในกรณีที่ว่าภายหลังจากที่เราพินออกไปนอนอยู่นอกแคมป์ของเราตามลาพังคนเดียวแล้วเขาก็เกิดอาการจับไข้หมดสติไม่รู้สึกตัวขึ้นอีกจนกระทั่งเวลาที่ช้างกับไอ้มอนสเตอร์พวกนั้นบุกอะไรมอนซเตอร์บุญคําถามทะลุกลางป้องขึ้นเขาหมายถึงไอ้ผีดิบตัวขาดครึ่งท่อนและไอ้พวกที่นั่งมาบนคอช้างที่เราเห็นคริสอธิบายให้ตาพานเท่าเข้าใจแก่พยักหน้าร้องอ๋อแล้วก็ไม่ว่าอะไรอีกนอกจากทำเยียมชิปากหมุกหนีบทวนคำเพื่อจะจดจำไว้ ถ้ารพินนอนจับไข้หมดสติอยู่ตรงนั้นหมอเบลพูดแผวแหบวเพื่อยกมือขึ้นเสยผมและโขงช้างบุคเข้ามาร้อมเราไว้ทุกทิศก็แปลว่าเขาจะต้องถูกเยียบแหลกไปแล้วซึ่งเป็นเรื่องที่น่าคิดเหมือนกันสิ่งแรกที่เราจะต้องทําก็คือต้องลงไปตรวจดูยังตําแหน่งที่รพินนอนพักอยู่แม่ผมทองกล่าวอย่างเต็มไปด้วยความหวาดหวัน่นกับริมที่ปากเบาๆแต่เราก็ยังไม่สามารถทําได้ในตอนนี้เพราะไอ้โขงช้างผีนั่นล้อมเราเต็มไปหมด แล้วข้างล่างนนยังไม่รู้เลยว่ามันจะถอยไปเมื่อไหร่ฟังนั่นเสียงมันทรงเสียงร้องประสานกันยังกับผุกเขาด้หน้าผานี่จะถล่มทลายลงนั้นแหละให้มันล้อมอยู่อย่างนั้นและแห ม, มใกล้ๆรุ่งพวกมันก็จะถอยไปเองคงไม่อยู่ถึงเช้าหรอกเพราะช้างพวกนี้เป็นช้างผีลงตอนนี้ผียังแรงอยู่เอาไว้ให้มันถอยไปเสก่อนแล้วเราจะไปดูกันตรงที่พานใหญ่นอนจันแสดงความเห็นอย่างมั่นใจเอาระเบิดโยนไปอีกสักสีห้าลูกเป็นยังไงบางทีจะทําให้มันแตกหนีพระไปเร็วยิ่งขึ้น ที่ถามความเห็นของเพื่อนร่วมคณะทุกคนแตนลีซันชีสะไม่เห็นด้วยจงหวนลูกปืนและยุทธสัมภาระของเราไว้ตอนดีกว่ามันจะรอมเราอยู่ข้างล่างได้นานเท่าไหรให้มันล้อมไปและตอนรุ่งสางก็ถอยไปเองและอย่างจันว่าขณะนี้ต้องถือว่าโชคดีที่สุดละที่พวกเราในแคมป์ทั้งสิบเ้าคนไม่มีใครเป็นอันตรายเลยหนีรอดพ้นขึ้นมาได้ทุกคนคาถายไปเพียงคนเดียวอย่างลึกลับที่สุดเอาละสรุปในขั้นนี้ก่อนว่าถ้าพวกมันถอยไปเมื่อไหร่ เราจึงจะมีโอกาสไปตามระพินได้สําหรับตอนนี้ไม่มีทางจะทําอะไรได้เลยนอกจากช่วยกันสวดภาวนาขอให้ระพินรอดปลอดภัยคริสพูดละเอียดอ่อนสังเกตไปยังสีหน้าของพรานพื้นเมืองทั้งสคนอย่างพินิษเหมือนจะตรวจหาความรู้สึกแล้วถามว่านี่ถามจริงๆเถอะพวกเราทั้งสี่คนนั่นนะบุญธรรเกิดจันเสยฉันดูว่าแต่ละคนเฉยๆไม่เดือดเนร้อนใจอะไรนะกับเหตุการณ์ที่พรานใหญ่หายสาบสาูญไปเฉยๆในคราวนี้ไม่มีใครเป็นทุกข์เป็นห่วงเขาบ้างเลยเลย พวกเราเป็นห่วงนายด้วยกันทุกคนและแมมเกิดซึ่งเรียนหนังสือมากกว่าทุกคนในคณะเป็นคนตอบแทนพักพวกมาแต่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงจะบุกฝ่าโขงช้างนับร้อยที่ยึดเต็มพื้นที่ข้างล่างอยู่ในขณะนี้ไปตามหานายพวกเราก็จะแหลกกันไปเสียก่อนและอีกอย่างหนึ่งพวกเราอยู่กับนายระพินมานานผ่านเหตุการณ์ทํานองนี้มานับไม่ถ้วนที่ร้ายหนักกว่านี้ก็มีแต่ก็ไม่เห็นนายระพินเป็นอะไรสักครั้ง รับรองว่าถึงเวลาเราก็ตามพบลุงมาแกก็โปร่กรมมาเองแหละนายแหม่มกับนายห้างอย่าวิตตกไปเกิดเหตุเลยแนรพินเป็นคนมีดีอยู่กับตัวมากไม่ใช่พรานธรรมดาอย่างพวกของเกิดอย่างเดียวสายเวทอาคมมนต์มืดแกพร้อมทุกอย่างลุงคําที่ว่าเก่งทั้งหมอผีแล้วก็ยังแค่ลูกศิษย์แกเท่านั้นมีทางให้ห่วงอยู่ประตูเดียวเท่านั้นเรื่องสุขภาพของแกย้อนกลับมาพูดกันถึงเรื่องที่จันทรกับบุญคำตื่นขึ้นมาแล้วเป่าใบไม้เรียก แต่ไม่ได้ยินเสียงตอบมีใครเข้าใจว่ายังไงแพทรินนอนจับไข้ไม่ได้สติรู้ว่าขณะนั้นเขาเคลื่อนย้ายตัวเองไปไหนก่อนแล้วหมอเบลถามไปยังพลานพื้นเมืองทุกคนเมื่อคืนก่อนนี้นายจับไข้ไปที่นึงแล้วอยู่ด้วยกันมาไม่เคยเห็นแกจะจับไข้ซ้อนกันสองคืนติดติดกันเพราะฉะนั้นบุญคําไม่คิดว่าแกจะจับไข่อีกในคืนนี้แกอาจจะออกจากบริเวณที่แกนอนอยู่ไปไหนก็ได้อย่างที่บอกแล้วเขาจะไปไหนในเวลากลางดึกมืดมิดน่าสะพึงกลัวแบบนี้ ริสร้องถามจะ ก, กลางวันหรือกลางคืนจะหัวค่าหรือดึกถ้านายแกนึกจะไปไหนแกก็ไปของแกได้เหมือนพวกเสือพวกสางนั่นแหละบุญคําตอบและพวกบุญคําพอจะบอกได้ไหมว่าไอ้พวกผีดิบมันมากับโขงช้างได้ยังไงมันเจตนาที่จะเอาโขงไอ้งาดํามาเล่นงานพวกเราโดยตรงทีเดียวโดยเฉพาะไอ้ตัวที่รพินกับโชิดบุษวางระเบิดตัวขาดครึ่งท่อนกะจะที่รพินยิงหัวเข่าแลไปเมื่อตอนบ่ายวันนี้หัวหน้าคณะพยายามสอบ ทั้งๆที่ก็ตระหนักดีอยู่ว่าพวกพรานพื้นเมืองคงให้คําตอบอะไรไม่ได้กระจ่างชัดนะยกเว้นตะพินไพรวันเพียงคนเดียวเท่านั้นจะพรานเท่าหอไลลงสะแยะปากบุญคำก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพวกมันมาจากไหนแล้วคุมโขงช้างเป็นขวานขี่คอกันมาได้ยังไงส่วนไอตัวชํารุดสองตัวเมื่อตอนบ่ายบุญคําเชื่อว่าช้างคงจะหิ้วมันมาและคว้างมันออามาจากแนวป่าให้มาคลานหลอกหลอนสำแดงอิทธิฤทธิ์กับเรา ลูกปืนของพวกนายห้างทําอะไรมันไม่ได้หรอกพอจะยิงให้ตัวมันแหลกย่อยยับไปมันก็คงตรงทื่อเข้ามาทำร้ายเอาได้แต่ที่ถูกพวกของบุญคํากับนายทหารเชิดรุ้งยิงทีเดียวจอดก็เพราะเราใช้ลูกปืนลงอาคมไว้เจอเข้านัดเดียวกระสุนเจาะผ่านตรงไหนไม่สําคัญแต่อิทธิฤทธิ์มายามนของมันไม่สามารถจะเข้ามาสิงร่างได้อีกบุญคําก็อธิบายให้พวกนายห้างเข้าใจไม่ถูกเหมือนกันรับรองว่าพรุ่งนี้พอตะวันขึ้นไอ้พวกช้างถอยขบวนไปแล้วถ้ามันไม่หิ้วเอาซากผีไปกับโคลงมันด้วย เราจะเห็นไอ้ผีดิพวกนั้นนอนกันเกลื่อนรถถูกกระสุนอาคมยิงกริ่งไปหลายตัวตอนที่พวกในห้างกับแม่มปีมนไต่หนีขึ้นมาบนหน้าผาพวกมันยังคงไต่ตามขึ้นมาอีกจะเล่นเราให้ได้โชคดีนายทหารใช้ปืนเอ็มหกที่บุญคําเอากระสุนเข้าพิธีปลูกเสกไว้ตอนหล่นลงไปหมดต่อกหลนลงไปหมดไม่งั้นมันตามเราขึ้นมาถึงบนนี้แล้วพวกมันไม่ได้หลอกล่อให้เราเสียขวัญเฉยเฉยมันยังมีเลี้ยวแรงร่างกายที่จะฆ่าพวกเราได้อีกด้วยเอาไว้พบนายละพินเสียก่อน แล้วในห้างลองสอบถามดูเธอะเกี่ยวกับไอผีหมื่นปีพวกนี้นายละพินเคยฟาดกับพวกมันมาก่อนแล้วเพียงแต่แกไม่ยอมเล่าให้ฟังเท่านั้นคงกลัวพวกนายห้างจะไม่เชื่อนี่ก็เห็นชัดๆกันอยู่แล้วไม่งั้นบุญคําก็ไม่อยากพูดให้ฟังเหมือนกันเขาเคยบอกเหมือนกันว่าจะอธิบายให้เราฟังเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ก็ยังไม่ยอมบอกอะไรจนกระทั่งเขาสูญหายไปในคืนนี้อยังหาว่าแช่งแล้วคิดอะไรในแง่ล้ายเลยนะถ้าหากละพินไม่โผล่มาอีกพวกรู้ว่าพบว่าเขาตายจะแล้วเราจะทํำยังไงกันต่อไป คริสติน่าพูดเหมือนรำพึงหมดเราพินแค่คนเดียวแผนการทั้งหมดก็เกมกันอยู่แค่นี้เองเท่านั้นใครจะมีปัญญานำพวกเราเดินต่อไปได้แซนลี่พูดกับพวกพวกเป็นภาษาของตนแล้วยกนาฬิกาเข้ามือขึ้นตัวดูอีกอยากร้อนรุ่มใจบนต่อมาว่าอีกตั้งกว่าชั่วโมงกว่าท้องฟ้าจะสางไม่ต้องทำอะไรกันอีกแล้วนอกจากจะหดหัวกันอยู่บนนี้อาวกระสุนใครหมดก็เตรียมบรรจุสำรองไว้ได้แล้วเอากระสุนลูกซองแบบลูกโดดแจ้งให้พวกลูกหาบอีก เทาที่ราพินแจกไปแล้วมันน้อยเกินไปซัดกันไม่กี่ตูมเท่านั้นหมดเท่าที่แจกไปแล้วเขาคงจะคิดไม่ถึงว่ากองทัพช้างจะยกมาเป็นร้อยแบบนี้และตามปกติช้างฝันถ้าถูกซันโวคว่ำไปสักสิบยสิบตัวก็ต้องถอยและไอหนี้มันบุกเข้ามายังกทหารกล้าตายที่ล้มก็ล้มไปไอที่อยู่ข้างหลังก็ประดังดันตัวหน้ า, ห น, าหน้าเข้ามาโอ้ยเกิดมาไม่ใช่เ ฉ, ฉพาะไม่เคยเคยเห็นเท่านั้นแต่มันแม้แต่เรื่องเล่าก็ยังไม่เคยได้ยินใครเล่าให้ฟังถึงพฤติการแบบนี้ โชดมุดพูดเสียงหนักๆแล้วสองคนกับคีก็ตรงไปที่ลังกระสุนมัดกระสุนขนาดต่างๆออกมาแจากใจ่ายให้พวกพรรคพวกเพื่อเตรียมพร้อมเต็มอัตราศึกอีกครั้งบุญคํากับพวกพรานพื้นเมืองออกไปหาไม้ที่เตรียมไว้ก่อกองไฟตรงหน้าถ้าเพื่อต้มกาแฟไม่มีใครคิดที่จะหลับนอนอีกต่อไปต่างนั่งซุมกันอยู่เป็นกลุ่มๆเพื่อรอแสงตะวันขึ้นหรือมิฉนั้นก็รอให้อีกองทัพช้างมาหาหนรกเคลื่อนย้ายไปเสียก่อนเบล ผเสื้อผ้าขาดย่อยยับลุงลิงไม่มีชิ้นดีค้นหาชุดใหม่แล้วเดินหลบเข้าไปในหลือผัดเปลี่ยนทุกคนเพิ่งจะมีเวลาได้สํารวจตัวเองพบว่าแต่ละคนถลอกปอกเบิงกันเป็นแผลเลือดซิปแล้วก็ฟกช้ำดําเขียวไปตามๆกันโดยเฉพาะฝ่ายนายจ้างโชคดีนิดที่ไม่มีใครอาการหนักหรือมีส่วนใดชํารุดไปอาศัยเพียงแค่แต้มทิงเจอปิดพลาสเตอร์กันทั่วทุกคนถ้าเจอข่าแบบนี้อีกครั้งเดี๋ยวพวกเราก็พินาศหมดกระสุนมีเท่าไหร่ก็ไม่พอปะทะ ที่มันยกกันมาเป็นร้อยๆกระมังคีสบนขึ้นขณะที่งัดซิกาออกมาจุดหน้านิ่วคิ้วขมวดมันจะต้องมีวิธีแก้อะไรกันสักอย่างหนึ่งถ้าถูกโจมตีจากกองทัพช้างแบบนี้บ่อยๆเราเดินทางต่อไปไม่ได้หรอกและคนจะแก้ไขได้ก็มีอยู่คนเดียวเท่านั้นแต่ตอนนี้ไม่รู้เป็นตายร้ายดีซสที่ไหนถ้ารู้ล่วงหน้าแบบนี้พ่อแบก rpg หรือ m 7 2มาด้วยเลยรู้แล้วรู้รอดเชิดวุฒพูดรอดไลายฟันออกมา สึกใหญ่กับไอ้ช้างพวกนั้นก็ดีไปอย่างสําหรับกระเลียงของโบเนี่ยที่กําลังอดอยากหนีมาอยู่บนถ้าหน้าผานี้พวกนี้ไม่มีอาหารเลยผมได้ฟาดเนื้อช้างเป็นอาหารสบายไปหลายวันเกินพอซะอีกผมกะว่าคืนนี้พวกเราทั้ลมมันคว่ำไม่ต่ากว่า30สตัวแต่ปัญหามันมีอยู่ว่าพวกนี้จะแล่เนื้อกันไหวหระที่เหลือก็จะเน่าทรงกลิ่นเหม็นถึงไปหมดทั้งหน้าผากะเหลี่ยงบนนี้จะทนกลิ่นต่อไปไม่ไหวดีไม่ดีต้องย้ายทิ่นนี้อีก เกิดผู้ขี้อ่ากาแฟาที่ต้มทั้งกาเข้ามาให้บรรดาเจ้านายเอ่ยขึ้นคริสตินานอนสงบนิ่งศีรษะหนุนเป้หลังสูนบุหรีอัดควันลึกตามือมองจับดูเพดานถ้ำหินย้อยอยู่มุมหนึ่งตางามสีฟ้าของหล่อนเปิดโพรงปราศจากแหวง่วงเหงาใดาๆอีกทั้งสิน้นและไม่สูงสิยงพูดกับใครอีกเลยนานๆก็ยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูเวลาสักครั้งต่อมาเบก็เข้ามานั่งเอาหลังพิงผนังถ้ำอย่างอินโรอ ย, อยู่ใกล้ๆเบลเือ สองสาวกระซิบพูดกันแผ่วเบาตอนําพังเธอคิดยังไงเกี่ยวกับฮันเตอร์คนนั้นนะ่ะเล่ะคิดไม่ถูกรู้อย่างเดียวว่าฉันเป็นห่วงเขามากแต่อาจน้อยกว่าเธอก็ได้เขาจะเตรียมวางแผนให้พวกเราปลอดภัยกันทุกคนในคืนนี้แต่ตัวเขาเองเสียงของแม่ผมทองแพบหายไปเชื่อคนของเขาไว้ก่อนดีก่ารว่าเขาจะไม่เป็นอะไรแต่ฉันว่าเขาเป็นแน่มากหรือน้อยเท่านั้นคืนนี้เป็นคืนมหาวิบัตินับแต่เราเริ่มออกเดินทางมา บางทีมันอาจเป็นความผิดของฉันก็ได้ในข้อที่วะ่ะครั้งสุดท้ายฉันรู้เห็นอยู่แล้วว่าเขาออกไปนอนอยู่นอกแคมป์แล้วก็ดันเชื่อคนของเขาโดยไม่ออกไปตามให้กลับเข้ามาทั้งๆ ท, ที่ถ้าฉันจะทําจริงๆก็คงทําได้แต่เขาก็คงไม่กล้าขัดใจฉันถ้าฉันจะขอร้องให้เขากลับเข้ามาอยู่ในเคของแคมป์เสียเบลเอามือวางบนไหล่เพื่อนสาวแล้วก้มลงกระซิบริมหูเธอห่วงกังวลเกี่ยวกับเขามากเกินกว่าสภาพของนายจ้างและลูกจ้าง ทั้งๆ ท, ท, ที่ดูผัดผาดว่าเธอไม่ได้อะไรใหญ่ดีอะไรกับเขาเลยพิสติน่างเงียบเปิบในใจของหล่อนสวดภาวนาในเวลาเดียวกันนี่แหละใครอีกคนนึงก็นอนสูบบุหรี่ตามองจับอยู่บนเพดานห้องนอนเช่นกันภาวนาเช่นกันเร่งเวลาให้รุ่งเช้าเสดโดยจเร็วดุดกันมอมราชวงศ์หญิงดาวรินบราลิตบนศอบทำที่หลบภัยขนาดกว้างใหญ่ที่พอจะบรรจุคนได้ถึงสิบเก้าชีวิตอย่างหลว ม, ลม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 ตามประษาของหล่อนเนอกจากคริสเท่านั้นที่นอนเหมือนหลับแต่ดวงจิตของหล่อนตื่นอยู่ตลอดเวลาระยะเวลาระหว่างนี้ชีททดลองเครื่องรับทรงวิทยุอีกครั้งมันคงใช้ไม่ได้อยู่เหมือนเดิมนอกจากเสียงสู้ซ่าโครกครากของคลื่นอากาศที่รบกวนหนักแล้วก็สบด่าพ่อล่อแม่อะไรไปตามประษาแซนลี่โบกมือสั่งให้ระงับความพยายามนั้นไว้เสียเพราะมันไม่ได้ผลอะไรมากไปกว่าความหนวกหูน่ารำคาญ อีกประมาณสี่นาทีจะเป็นเวลาห้านอคุณคำนั่งพิงกองไฟอยู่หน้าปากโพรงถ้ำรวมทั้งพักพวกของคนของตนอีกสามคนก็เดินปรีเข้ามาที่กลุ่มนายจ้างซึ่งนั่งบ้างนอนบ้างทันทีพร้อมกับร้องบอกว่าในห้างไอ้ช้างนรกมันยกขบวนพากันไปหมดแล้วยังกระดําดินไปงั้นแหละฮ่าไม่ได้ยินเสียงเคลื่อนไหวของพวกมันเลยนี่อเมริกรันอาวโุโสอุทานพร้อมกับลุกขึ้นยืนทันทีลิสึงกายขึ้นนั่งอย่างรวดเร็ว เราตลอดเวลาหล่อนไม่ได้หลับแม้แต่งี่บเดียวมือนึ่งคว้าเอ็มสิบหกบรจุูกเต็มอัตราอีกมือนึ่งเอื้องไปเขย่าปลุกแม่เพื่อนสาวที่นอนโคดตัวซุกอยู่ใกล้ๆกับส่วนเชิดบุตรก็เอากระทุกในคิดผู้นั่งหลังพิงผนังหินเคริ้มๆอยู่ทั้งห้าคนของฝ่ายในจ้างพอกันลุกจากโลงถ้าที่อาศัยอยู่ออกมาอย่างชานของหน้าผาทันทีซึ่งเกิดเสยและจันกําลังยืนอยู่ที่นั่นส่องไฟฉายกลาลงไปยังบริเวณอันเป็นที่ตั้งของแคมป์ ทั้งหมดมองตามแสงไฟที่ส่องตรวจไปมาและอุทาออกมาเป็นเสียงเดียวกันอะไรกันนี่พวกมันไปกันหมดแล้วจริงๆเกรียงเลยเหลอเดซ่าที่ถูกยิงล้มเท่านั้นทำไมถึงเงียบอย่างนี้คิดยกนาฬิกาพลายน้ำขึ้นดูทันทีเกือบตีห้าแล้วมันใช้เวลาบุคคาโจมตีเราและยึดทุนที่ไวประมาณสองเซ็มแล้วนี่อยู่ไม่อยู่ก็หายไปเงียบๆงั้นแหละช่วยกันฉายไฟสองดูให้แน่ๆอีกทีสิ คราวนี้ไฟฉายมากกว่าเจ็ดแปดวงที่ต่างคนต่างถือประจํามืออยู่ก็พวยพุ่มไปยังลานเบื้องล่างทันทีจริงตามที่บุญคําบอกทุกอย่างบริเวณแคมป์ที่ตั้งอยู่ใต้หน้าผาอันเคยเต็มไปด้วยขโขงโคชฉาสที่เข้ามาชุมนุมกันอยู่เนืองแน่นแทบมองไม่เห็นพื้นดินบัดนี้ว่างปล่าเหมือนไม่เคยปรากฏการย่างกรายเข้ามาของพวกมันเลยยานหลักฐานที่พอจะยื่นยันได้ก็คืออาการราบพนาสูญของกระโจมที่พักร้านย่างเนื้อกองไฟที่ถูกรื้อและหม้อ ด, ดับสนิท กับรากของช้างที่ถูกยิงตายแล้วแนะ่แทบจะนับจํานวนไม่ทั่วนอนเป็นผุเขาเกะกะทั่วบริเวณอยู่เป็นหย่อมๆ ม, มันเคลื่อนย้ายกองทัพไปตอนไหนนี่เชิดวุฒิร้องถามขึ้นการคู่ใจของราพินทั้งสี่คนซันหัวอย่างอัดอั้นตันใจพวกของจันก็ไม่รู้เหมือนกันจันเป็นคนตอบก็นั่งสูบบุหรี่กินข้าวแฝกันอยู่ตรงริมหน้าผานี่ตลอดเวลาและในทหารไม่ได้ยินเสียงอะไรของพวกมันอีกเลยนานๆก็ส่องไฟลงไปดูเสียทีดังแรกๆ ก, ก็เห็นอย่างอยู่กันเต็ม พอพี่คำส่องดูเป็นครั้งสุดท้ายก็พบว่ามันไปกันหมดละป่าข้างล่างไม่ได้ลั่นให้ได้ยินสักกลิบเดียวตอนที่มันเคลื่อนขบวนล่าถอยไปเหมือนกับตอนที่มันย่องล้อมเข้ามาันเงียบงั้นแหละแหมมาก็เงียบพรวดเดียวถึงตัวเลยเวลาจะไปก็ไปเงียบเหมือนเหาะหรือหายตัวไปแน่ใจไหมว่าพวกมันถอยไปกันหมดนะไม่ใช่ทําอุบายหลบเข้าป่าหลอกเราให้ลงไปแล้วก็รูกันเข้ามาอีกแดนลี่ถามขึ้นอย่างคลางแคลงใจนี่ก็ใกลสว่างเต็มทีแล้วในห้างบุญคาเป็นคนตอบ แงนมองดาวรุ่งทางด้านตรงข้ามกับหน้าผาอันกําลังเกาะติดอยู่กับยอดไม้เบื้องล่างลงไปพวกมันไปกันหมดแน่ๆคงไม่ซุ่มอยู่อีกหรอกมะคุณคําจะลองเองขาดคาแกก็ประทับไรเฟิลประจมมือขึ้นร้องบอกพวกลูกหาที่ระรับตื่นๆอยู่ในเวิร์งถ้าให้รู้ว่าจะทดลองยิงปืนเพื่อป้องการพวกนั้นตกใจแล้วก็สตาดกระสุนขึ้นฟ้าเสียงครื่นสนั่นวันไหวก้องไปทั้งลูกเขาสะท้อนไปมาถ้มกลางความเงียบ คงมีแต่กังวานของกำปนาตกระสุนขนาดหนักเท่านั้นที่แผ่ซ่านไปทั่วทุกอนูของบรรยากาศยามใกล้รุ่งไม่มีเสียงช้างร้องหรือเสียงของการเคลื่อนไหวใดๆเลยเห็นไหมในห้างเนี่ยเป็นเปล่าเนี่ยเป็นเปล่าสากเลยถ้าพวกมันยังซุ่มอยู่ใกล้ๆก็คงแตกตื่นเคลื่อนไหวให้เราได้ยินจะส่งเสียงร้องขึ้นบ้างละแต่นี่ไม่มีเลยรับรองพวกมันถอยไปไกลละคืนนี้มันเอาเราแค่นี้แหละกะเยียบแหลกถ้าไม่ใช่พวกเราเตรียมทางหนีกันไว้ก่อนแล้ว เสียงปืนดังไปไกลมากอิสเบลเอ่ยขึ้นอ่อยถ้ารพินอยู่ที่ใดที่ห น, นึ่งในระแวกสองสมไมนี้เขาก็ควรจะได้ยินและควรจะให้สัญญาณยิงตอบรับเรามาเอาละ่ะฉันจะนับหนึ่งชิดช้ารอดูซิว่าเพื่อจะได้ยินเสียงปืนตอบจากเขามั่งแล้วหล่อนก็นับทอดจังหวะจากหนึ่งจนครบสิบไม่มีเสียงปืนหรือเสียงสัญญาณใดๆตอบรับมาจากคนชื่อรพินไพรไ์วันที่คณะพักทุกคนห่วงถึงอยู่ในขณะนี้เลยกลุ่มนายจ้างมองหน้ากันไปมา แตนนี่หันไปทางบุญคำถามแถวต่ำว่าบุญคำเอายังไงดีตอนนี้ไอ้ช้างผีพวกนั้นก็ไปกันหมดแล้วบุญคำว่ารอให้ฟ้าสว่างสักนิดแล้วเราเค่อยลงไปจะดีกว่าฉันใจเย็นอยู่ไม่ไหวแล้วที่โผล่ขึ้นมาคือแม่ผมทองคริสติน่าใครคิดจะรอให้สว่างสียก่อนก็ตามใจแต่ฉันจะลงละอย่างน้อยที่สุดจะลงไปดูตรงตำแหน่งที่ระพินเคยนอนอยู่พื่รู้แน่ชัดออกไปเลย ไม่เพียงแตพูดเท่านั้นคริสไม่สนใจกับใครอีกทั้งนั้นขยับไต่หน้าผาลงไปทันทีแดนลี่ผู้ยืนอยู่ใกล้ที่สุดคว้าแขนไว้ได้เดียวคริสถ้าเราจะลงไปก็ลงไปพร้อมกันทั้งหมดนี่แหละแั้วแตพวกลูกถามให้เขารออยู่บนนี้ก่อนเราจะลงไปคนเดียวไม่ได้แล้วก็หันไปทางพักพวกถามว่าว่ายังไงขอเสียงส่วนมากใครคิดว่าคุณจะลงไปเดี๋ยวนี้เลยบ้างผมว่าคริสตัดสินใจถูกละเชิญบูธบอกมาโดยเร็วเอางั้นก็ลงก็ลงอสเบลกับคริสสนับสนุนมาเป็นเสียงเดียวพวกเราจะลงไปเดี๋ยวนี้แหละพวกคุณญคำจะว่ายังไง แตนลีท้ามทันทีทางด้านพวกของบุญคําน่าไม่มีปัญหาอะไรรองในห้างลงพวกเราก็ลงได้ตกลงลงกันเดี๋ยวนี้เลยหรือขอให้สั่งมาเท่านั้นเดี๋ยวนี้เราต้องการให้บุญคำำํานําเราไปดูตรงตาแหน่งที่เราเคยเห็นพลานใหญ่นอนอยู่ลิสติน่าบอกด้วยเสียงเด็ดเดียวจริงจังพวกในห้างพร้อมหรือ ย, ยังแหละถ้าพร้อมก็ลงได้เลยคนตรวจปืนไฟฉายและอุปกรณ์จําเป็นประจําตัวแล้วบอกมาเป็นเสียงเดียวกันว่าพร้อมแล้วบุญคําก็หันไปตะโกนบอกนายตา หัวหน้าลูกหาบทันทีเฮ้ยตาเองกับพวกนี้อยู่บนนี้ก่อนไม่ต้องลงไปด้วยหรอกพวกข้าและเจ้านาจะลงไปสำรวจข้างล่างโน่นแต่ถ้าได้ยินเสียงปืนก็ระวังตัวคุมเชิงไว้เฉยๆอย่าเสือกยิงลงไปประเดี๋ยวจะถูกกระสุนจะถูกกันเองเข้าคอยส่องไฟไว้ก็แล้วกันหัวหน้าลูกหาบรับคำเมื่อนั้นเองบุญคาก็เริ่มนำลงมาจากหน้าผาที่ไต้หนีขึ้นมาเป็นคนแรกถัดมาก็เป็นจันท์เกิดและเสยตามลําดับโดยกลุ่มพรานล่วงหน้าลงไปก่อนต่อมาจึงเป็นเชิดวุ้นและฝ่ายของนายจ้างซึ่งไต้เลียงกันลงไปติดๆ ถ้ามันแปนขึ้นมาอีกก็อย่าลงทิศวิ่งกลับขึ้นมาทางเดิมก็แล้วกันนะในห้างทั้งหลายเสียงบุญคําร้องบอกซักซ้อมขึ้นมาไม่ต้องพวงเราลุ้คลัพวกเราจําทิศทางได้แน่นยําดีแล้วพวกลูกสาวครูกันมายนอยู่ตรงหน้าผาจิ้มทางลงและเช่วยกันส่องไฟฉายให้ชั่วไม่นานบุญคําก็นําทุกคนมาถึงบริเวณที่ตั้งแคมป์อีกครั้งต่างหันหลังชนกันปืนระวังเตรียมพร้อมลาดไฟฉายไปรอบๆทิศ เอ้ไอพวกผีดิบนั่นหายไปไหนหมดจําได้ว่ายิงล่วงลงมาจากหน้าผาไปหลายตัวทีเดียวและลงไปกลิ้งอยู่กับพื้นข้างล่างไม่กระดิกกระดีอ่ะเชลบุตลองขึ้นด้วยความแปลกใจตอนกองทัพช้างมันถอยมันก็คงจะหิ้วเอาไอ้ซากนารกพวกนั้นไปกำมันด้วยนั่นแหละไอทหารไม่ต้องสงสัยอะไรเลยแค่เอางวงรัดหิ้วไปเท่านั้นมันไม่ทิ้งไว้เป็นพยานหลักฐานให้เราเห็นหรอกถึงแม้ทราบที่ถูกพวกยิงจะใช้การอีกไม่ได้แล้วก็ตามมันคงจะเอาไปซ่อนเสียดูสิแม้กระทั่งไอตัวขาดครึ่งทอด ไอตัวที่คานลากขาที่มันโยนเข้ามาทางกลางปางพักเราครั้งแรกก็ไม่เหลือพวกมันจิ้วเอาไปหมดแต่พรานเท่าบอกพร้อมทั้งตราใช้ฉายไปยังตําแหน่งที่ซากผีดิบหมื่นปีสองตัวแรกที่ถูกเวี่ยงเข้ามาและเชิดวุฒิกับจันยิงกระโหลกแหว่งวิ่นหาักขายกระเด็นนอนคลิ้งอยู่ก่อนที่กองทัพช้างจะบุกเข้ามาเพียงไม่กี่อึดใจปรากฏว่าทั้งสองซากนั้นก็พลอยหายไปด้วยกระโจมทักที่กลุ่มนายจ้างเคยอาศัยนอนอยู่ หล่นลงมากองอยู่กับพื้นผ้าใบาและผ้าพลาสติกทุกๆขาดย่อยยัดไม่มีชิ้นดีอุปกรณ์เล็กๆในน้อ ย, อยก็หลงที่หลงเหลืออยู่โดยที่คว้าหนีขึ้นมาไม่ทนันเป็นต้นวา ก, กาน้ําปวดพลาสติกและตะเกียงแบตเตอรี่ที่จุดไว้หนึ่งดวงแปนเดดแต่แตจํารูปทรงเดิมไม่ได้ส่วนกองไฟที่ดับงดสนิทไปนั้นภายหลังจากตรวจ ด, ดูก็รู้ว่ามันใช้วิธีกระชาก พ, พื้นออกมาจากการวางซุมกันไว้แล้วใช้งวงปัดฝุ่น กับหินลูกหลังข้างข้างเคียงโกยมากลกสิ่งที่พวกมันไม่อาจเคลื่อนย้ายออกไปได้ก็คือกากของพวกมันเองซึ่งแต่ละตัวมหึมาทั้งสิ้นนอนกลิ้งและฟุบกันอยู่ในลักษณะต่างๆรอบด้านใต้หมดแทบนับกันไม่ถ้วนทั้งกลางบริเวณแคมป์และริมชายป่านับตั้งแต่กระสุนนัดแรกได้ระเบิดขึ้นเลือดนองไปหมดกลางบริเวณที่พักอันเป็นพื้นโล่งมีรอยหลุมระเบิดเป็นหย่อมๆเกิดจากอานาจของระเบิดมือ ทั้งแบบทำลายและแบบสังหารที่เชิดวุดกับคิดเบี่ยงลงมาฝ่ายในจ้างทุกคนหลีตาลงอย่างสยองใจถ้าเคลื่อนย้ายตัวเองหนีไม่ทันทุกคนบอกได้ทันทีว่าร่างกายจะกลายเป็นเศษเนื้อในสภาพเท่นไหลแม้แต่กระดูกก็คงไม่เหลือให้จําได้ว่าครั้งหนึ่งเคยเป็นมนุษย์เพราะบาธานับไม่ถ้วนที่เยียบย่ําเข้ามาเหล่านั้นถ้าไม่ได้ชายภูมิที่พักตรงนี้และเตรียมทางหนีที่ไรไว้ร่วงหน้าคืนนี้พวกเราไม่มีใครรอดแม้แต่คนเดียว แดนลี่คลางออกมาระหว่างที่ทุกคนยังมองสํารวจไปยังบริเวณโดยรอบลิสฉายไฟเดินดิ่งตรงไปยังปากทางด่านที่จะนําไปยังลําธารเบื้องล่างตําแหน่งที่หล่อนเคยจําได้ว่ารพินไพรวันนอนอยู่ตรงนั้นทันทีบุญคำวิ่งตามหลังมาติดๆพักพวกทุกคนก็เลยตามมาเป็นพรวนเดียวแมมให้บุญคําน้าดีกว่าสมุนขวาของพรานใหญ่ร้องบอกแล้วแล่นแซงหน้าแมมผมทองขึ้นไปทันทีโดยนําตรงไปยังโขดหินใหญ่บริเวณที่เจ้านายของแกมายึดเป็นที่นอนอยู่ พร้อมทั้งกราดไฟฉายนําเข้าไปก่อนนั่นไงกระสอบรองนอนกัเบเป้หลังของนายยังวางอยู่ตรงนั้นบุญทังอุทานลา่นออกมาเรสเข้าถึงเป็นคนแรกมายืนชะงักอยู่ตรงนั้นวาดตาไปรอบๆอืดใจเดียวพ ร, รานทุนเมืองอีกสามคนและพระพวก็เข้ามาถึงบริเวณนี้พร้อมกันหมดความเงียบปกคลุมชั่วขณะหลักฐานเท่าที่จะเห็นได้ก็มีเพียงหนึ่งกระสอบป่านหนึ่งใบสําหรับปูนอนสองแจ็คเก็ตฟิลหนึ่งตัวลักษณะ สำหรับผมและสามย่ามหลังของรพินสิ่งที่หายไปพร้อมๆกับตัวเขาก็มีเพียงไรเฟิลประจํามือและไฟฉายเท่านั้นและตําแหน่งนั้นก็ดูน่าอัศจรรย์อยู่เพราะไม่มีร่องรอยของโคลงช้างที่ยกกันมานับไม่ถ้วนเข้ามายุ่งย่ามเลยเพราะฉะนั้นยามหลังที่บรรจุของรพินจึงวางอยู่ในสภาพปกติไม่ได้ถูกเหยียบย่ําทํำลายแต่ลักษณะการวางก็วางอยู่ในสภาพอันปกติควรเป็นไปคืออยู่บนกระสอบป่านใช้ปูนนอนลักษณะแทนหมอนหนุน บุญคำคนที่ย่ามหลังของพลานใหญ่สิของใช้ยประจําตัวที่บรรจุอยู่ข้างในของเขายังปกติหรือเปล่าหรือมีอะไรหายไปบ้างสเตนลีย์สั่งการโดยเรบุนคำกับจันก็โดดเข้าไปเปิดย่ามหลังของนายช่วยกันคน้นของจุกจิกเล็กน้อยที่มักจะบรรจุอยู่ในย่ามของระพินครบถ้วนทุกอย่างลูกปืนไรเฟิลอะไรลหนึ่งกล่องปืนสั้นลูกโม่ขนาดจุดซีซีแม็กนัมหนึ่งกระบอกกล่องยาชุดจําเป็นสําเร็จรูปเสื้อผ้าหนึ่งชุดชุดเรชันพอจะกินได้ประมาณสามมือแทนที่ ซึ่งได้รับแจกจากฝ่ายนายจ้างและเครื่องวิทยุรับส่งมือถือขนาดเล็กของฝ่ายนายจ้างที่มอบไว้ให้ใช้ประจําตัวและเชือกไนลอนยาวประมาณสิบเมตรบุกอย่างน่าจะอยู่ครบแปลนในห้างไม่มีอะไรขาดหายไปเลยเสียงจันทร์ร้องบอกมาไม่มีรอยช้งบุกเข้ามาที่นี่เลยสักตัวเกิดผู้ส่องไฟสำรวจบริเวณรอบๆ บ, บ, บอกมากับอีกคนหนึ่งมีอะไรติดตัวในจ้างของพวกเธอไปบ้างอิสเบลถามไลเฟิร์นบอกหนึ่งที่ติดเอลแกอีกเล่มและผ้าคม้าอีกผืน และนี่ที่ที่แกใส่อยู่นั่นแหละเจยบอกด้วยความชานาญและคุ้นเคยดังนั้นก็แปลว่าเขาได้ลุกขึ้นจากที่เคยนอนอยู่นี่โดยเจตนาและรู้สึกตัวก่อนที่จะเดินหายไปไหนสักแห่งหนึ่งด้วยสาเหตุอะไรก็ตามเป็นการลุกขึ้นยา่างกระทันหันและรีบด่วนท่านพี่ฉะนั้นก็จะต้องเอาย่ามหลังและเครื่องนอนของเขาไปด้วยคิดให้ความเห็นขึ้นอย่างเนาะ อ, อย่างนักสืบสอบสวนสืบสวนตรวจ ด, ดูให้รอบๆเราน่าจะได้ร่องรอยอะไรเพิ่มเติมหัวหน้าคณะสั่งการมีอย่างเร่งรีบ ทั้งหมดขยายวงล้อมที่รวมกลุ่มกันอยู่ออกไปในรัศมีห่างทันทีแล้วฉายไฟไปตามพื้นและพุ่มพงที่แวดล้อมอยู่ใจเดียบุญคาพ่อรู้ปนิสัยและแนวทางของนายจะเจ้านายตัวเองดีอยู่แล้วก็ร้องไอ้อขึ้นว่านี่ยังไงได้เขาแล้วทุกคนหันขวบรับพรูกันเข้ามาสิ่งที่บุญคําชี้ให้ดูก็คือรอยของยอดพุ่มไม้เล็กๆที่ถูกหักเอาไว้และชี้ทิศไปทางด้านใต้หมายความว่ายังไงนี่ริสถามเร็วปรือนายเป็นคนหักกิ่งไม้นี่ไว้เองชี้ปลายที่หัก บอกทิศทางไว้ให้แก่พวกของบุญคำว่าแกบายหน้าไปทางไหนถ้าเราตามรอยไปประเดี๋ยวก็จะพบรอยที่นายหักกิ่งไม้เล็กๆทิ้งไว้ให้ดูเป็นระยะๆะะทีเดียวแบบนี้ก็ตามกันได้แล้วสบายมากแต่ตามไปแล้วจะพบนายสบายหรือไม่สบายบุญคําก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะเราก็รู้ๆกันอยู่แน่วะนายรพินของเราเดินจากที่แกนอนไปไหนสักแห่งหนึ่งก่อนที่โขลงช้างจะบุกพวกเราทางแคมป์แดนรี่ผู้รอบคอบรีตาลงอ่านรหัสจากหลักฐานนั้น ถ้างั้นก็แปลว่าเขาคงจะไปไหนสักแห่งหนึ่งโดยคิดว่าตัวเองจะไปไม่ไกลนะเพราะไม่งั้นก็น่าจะต้องเอาเป้หลังไปด้วยที่เขาว่าเฉพาะปืนประจำตัวกับไฟฉายไปอย่างเดียวเท่านั้นจะต้องมีจุดบันดาลอะไรใจสักอย่างหนึ่งแน่นอนที่ทําให้เขาลุกขึ้นจากที่นอนและพระไปส่วนการหักกิ่งไม้ทําสัญญาณไว้นั้นก็คงเป็นสัญญาณเคยชินของเขานั่นเองที่จะทิ้งไว้เป็นหลักฐานให้ลูกน้องรู้ทิศทางคุณทํากะระยะเวลาได้ไหมว่าเขาหักกิ่งไม้ เ, เล็กๆนั่นไว้นานสักเท่าไหรแล้ว สะพรานเข้าไปเอาไฟฉายส่องดูอีกครั้งตรงรอยที่ยอดพุ่มไม้เล็กๆถูกหักพับไว้พิเจรณาดูความเก่าใหม่แล้วก้มลงตรวจรอยทางซึ่งพักพวกคนอื่นช่วยฉายไฟส่องให้สว่างจ้าไปหมดประมาณไม่น่าจะเกินสามชั่วโมงมานี่เองดูจากรอยอย่างไม้นี้ก็คงจะก่อนหน้าช้างบุกเข้ามาแค่ชั่วโมงเดียวเท่านั้นกล่าวยังไม่ทันจบประโยคดีแกก็ออกสาวรอยไปในระยะสั้นๆยังพงลกจะเข้าป่าเถาวันแล้วล่องออกมาอีกพบอีกแล้วในห้าง จันใหญ่หักไว้เป็นกิ่งที่สองรับรองว่ากายจะต้องหักละเอาไว้เป็นเครื่องชี้ทางไปทุกระยะนั่นแหละประเดี๋ยวเจอแน่ตามหลังบุญคำมาเถอะหวังว่าเราคงจะเจอเข้าในสภาพที่ยังมีลมหายใจอยู่นะริสพูดเสียงสั่นเครือทุกคนเงียบกริบไปอีกครั้งเดินส่งไปฉายเลียงตามหลังบุญคํากับจันทร์ที่ออกนํารียวไปทันทีราวกับหมาไล่เนื้อตามแนวทางที่ระพินผู้สาวสูดไปยังลึกลับเริ่มจะลกชัดด้วยพงไม้และเถาวันยเพิ่มมากขึ้นทุกขณะพื้นดินแห้งแข็ง ยากที่จะหารอยเท้าได้นอกจากกิ่งไม้แห้งล่นอยู่กับพื้นที่มีรอยถูกเหยียบหักไปบ้างบางแห่งซึ่งถ้าไม่ใช่สายตาพรานจริงๆก็จะสังเกตไม่ได้บุญทําทําหน้าที่ตรวจพาะพื้นส่วนจันทร์ทําหน้าที่ค้นหารอยหักของกิ่งไม้สดตามพุ่มพงที่ผ่านไปซึ่งก็เป็นจริงดังว่าต่างพบไปทุกระยะทุกคนใจเต้นแรงและไม่พูดอะไรกันโดยไม่จําเป็นเลยคูณมีประเทศยิ่งรกและยิ่งเป็นหนทางที่ไตยสูงขึ้นไปตามลําดับลักษณะขึ้นทางด้านใต้อันเป็นแนวขนานเดียบไปกับซ้ายลําทาร ที่ไหลผ่านที่พักทางตอนล่างนั่นเองพื้นกรวดหินบางแห่งมีรอยถูกเหยียบพลิกไวลักษณะของก้อน ห, หินพลิกบุญคําผู้ตรวจําไปเบื้องหน้ายืนยันได้ว่ามันไม่นานมานี้นะนี้จะเป็นเวลาใกล้รุ่งบรรยากาศในป่ารกก็ยังมืดสนิทและปกคลุมไปด้วยละอองหมอกค่อนข้างหนาทึบหนาวเย็นสะท้านเข้าไปจนถึงกระดูกแต่ยามนี้กลุ่มนายจ้างและพรานทั้งสี่คนไม่มีใครรู้สึกก็คำนึงถึงทุกคนแยกความคิดออกไปต่างๆนาน า, น า, นาน แต่ที่ตรงกันอยู่ภายในก็คือภาวนาขอให้ตามพบพระพินไพรวันในสภาพที่ยังคงชีพอยู่เท่านั้นเป็นการสาวร้อยกันอย่างเงียบกริบแผ่วเบาที่สุดโดยไม่พยายามให้เกิดเสียงกระโต ก, กระตากขึ้นเลยริสตินาและเชิร์ดวุที่ติดหลังบุญคำเพื่อจะเห็นร่องรอยต่างๆเท่าที่จะพบได้ก่อนบุคคลอื่นส่วนสเตนลีย์คีสและเบลตามคล้อยไปทางเบื้องหลังปืนในมือพร้อมสําหรับจะรับหน้ากับอะไรก็ตามที่มันอาจพลุนพลันจูโจมเข้ามาอย่างไม่ใช่มิด ส่วนจันทร์ทําหน้าที่คุมหลังอยู่ท้ายขบวนติดตามรอยหักยอดไม้เล็กๆซึ่งเป็นสัญญาณชี้ทางเริ่มจะเว้นว่างห่างออกไปเป็นลําดับและแล้วในที่สุดเม่อพบกับเชิงขาที่มีขั้นกจะพักเหมือนบันไดไต่ขึ้นไปสู่ที่สูงชันบริเวณหนึ่งรอยกิ่งไม้หักรู้ร่องรอยอื่นๆก็สังเกตได้ยากแต่แล้วณที่นี้บุญคําเริ่มยืนงงพยายามฉายไฟตรวจ ด, ดูไปรอบๆพื้นบริเวณนั้นเป็นหินดานแข็งกระด้างปราศจากพุ่มไม้เล็ก มีแต่ต้นไม้ใหญ่ยืนต้นที่ขึ้นหนาแน่นเบียดเสียดรอยของพลานใหญ่หายไปเสีแล้วใช่ไหมบุญคำลิสกระซิบถามจ้องหน้าแกในเงามืดกระเท่าเอามือเกาหัวอันมีเส้นผมพอติดหนังหัวของแกและบนกับตัวเองเบาๆเอหรือจะตามผิดทางว่ะไอรอยหินพลิกครั้งสุดท้ายมันน่าจะบอกได้ว่านายบ่ายหน้ามาทางนี้วกเขามันกั้นหน้าเราอยู่ขณะนี้นะลุงคามันก็มีอยู่สี่ทางเท่านั้นคือ หเราแกะอรอยผิดสองแกะอรอยมาถูกแล้วแต่ระพินแยกไปทางขวาอ้อมเลาะไปตามจีงเขาสามอ้อมเลาะไปทางซ้ายมือและสี่ไตขึ้นไปพิจารณาดูให้ดีมันอยู่ในข้อใดข้อหนึ่งนี่และเล ด, ดวุดพูดแถวตจำระวังที่พรานเท่าพยายามก้มตัวดูตามพื้นอีกครั้งเลยก็ฉายไปขึ้นไปตามแนวอันสูงชันของเขาแล้วไตขึ้นไปทันทีตรงไปยังต้นกระบากใหญ่ต้นหนึ่งที่งอกรากโผล่พื้นหินบนดินขึ้นมา จากนั้นก็หันควับลงมากระโดกลํามไฟฉายเรียกคาคริสเตชเชวลบก็ตายตามขึ้นไปทันทีที่รากใหญ่ของกระบากต้นนั้นยีรอยของมีดฟันพากไว้ให้เห็นชัดเอ๊นายตายขึ้นมาทางด้านนี้แฮะแกตามอะไรของแกกันนี่หรือว่าจะไปไหนกันแน่เส้นทางของแกซอกตอนพิลึกยังไงชอบคนเอาละได้การแล้วตามต่อไปลุงคําโุทวุฒิบอกแล้วใช้อนาสัญญาณไฟเรียกพักพวกด้านล่างที่มายืนแงะมองอยู่ให้ตายตามขึ้นมา